พญ่าพานผู้รับกรลบเพื่ออุบาสเนปา น, านาเพื่อหายันหาพิเศในวนาระองสาลผู้เจ้าของป่าขนามนุษย์สมบัติสารสมบัติพิ่สมบั ต, บติในทางสีชอบตลอดจนพญ่าพานสมบัติขอจงจ้าในตาวขป่าถนาที่ทุก ง, งาวมีามหมายก็าข้าเธอะนะผู้ขายคนทุกข์ั้งในาบาดฝสายนีย้อะไร น้าหามาคลองเชื่อในมาตาสงสารเนี่ยนี่นี่มาเป็นเพจผู้ขอผู้จะขอเี่นี่บอหลอนได้ก็ท่าบมย่างอรยังไงนี่ไม่มีไม่มีอิั่ไม่้เองมรู้เ่องล้วจะเพิ่มอะละข้อดีของอะไรเราะว่าบังะไรเงี้ยข้าวโอ้้าวอะรเนี่ยข้า สลัดเนาะก็ไดเลียมเลยจะเสียวมาส่งมาสินว้าอว่เอาว่าส่งมาไหนว่าูุ้กขาเรื่องเบหวะาม้วแต่แนวอื่นเนี่ว่าม้วนเอาหม้แล้ววะาสลัดจะได้หรอแบบูกขาคัดจากกรมันเลียมมาเสียบมาส่งดอกประเสริไม่แช่ตัวเรื่องเบาห้เขาเขาทำเบาของเขาตัวเรื่องเบให้เขานี่ะเขาเาของเขาอันนี้จะที่ันละวัดวัดทองวัด กอดพ่อหนึ่งนั่นมันยัาหัวบ่อไ่กอดป่นักอตะไม่งี้ยครับแม่โมนี่เมื่อไรออ้องเขาไปว่าให้เขาเขาเ็บเามลออก <laughs> ขแทบครับแล้วเหลียลนนย่ยมแล้วเนคนอยเซียนมาดอกก็สนแ้สลักจิอัอนเมือไหร่เมือหร่งมาแไ้ยังอันเดียวอยู่พุณยุคนแล้ววัได้สรงมานหร ก็มาหลายอันเดียวเดียบกันคณะที่เรากระไรบริษัทว่าเราทุกายมิทิยาบริษัทชวาแต oh, ่ว่าพุทธบริษัทท่านมีท่านผู้ใช้คนนี้บริษัทที่สิทย์ธหรมไฮซาคณะห้อเจริญสิทย์ธรรมไฮเื่อมกับบริษัทที่นิจชูสามาเนโนวาชกโนวาศิกาผู้ศิทยธรรมไฮเสียม เว่าท่ามข้าสอนพระพุทธเจ้าบริเตียมแต่ใแต่ว่าม่เห่าเชื่อมนี้จากคนคือเพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดว่าก็มาสอนท่ามข้าเก่าเรือบริเตียมแต่ใช้เดี๋ยจะเที่ยงว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเชื่อมเป็นยุคเป็นข้าวคือเป็นยุคเป็นข้าวเพรพระพุทธเจ้าองค์นั่งเหตุไฉนเพราะพรพุทธเจ้าจึงว่าเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเพาเห็นการพระพพุทธเจ้าว่ามาเป็นยุคเพะเห็น ทัดมารอกกแก้กอ้ว่าในยุทนั่งสวรรค์ก็ดีนั่มนุษย์ก็ดีเนี่ยมรรคยุคก็ดีมันย่างหลายอัศว์ข่าวมันเหมือนกรเป็นเห็นท่านพระพุทธเจ้าทึ้งมาเป็นยกคนยกันยกันยกมายกจะละยกละละยกหนึ่งแตว่าสอนเอาไปฆ่าเสียมคนกสอนไปเพราะฆ่าเสียงคนเอาไปพาพระพุทธเจ้าองค์ที่หลังเนี่ยเยอะนะพวกะ พระพิจาราสอนทรรมอันเก่าว่านทรมอันใหม่มาเกเป็นยกเป็นยกมากสอนทำรอันเก่าเสวิงพระพจารเสวิงหาตาคือสินหาแลร่วมกันขอลับพระพุทธะ่ามประสงค์งเองแต่เท่ากับพระพุทะมาระสงค์สกครั นาโม่นี่ยสม้ควนว่าขอนอนหลับเร่อภูมิสภาคอรันตะชมาชพุทธเจ้าพระองค์นั่นเห็นวานาโมสามจบเลยแล้วขอขอถึงพระสุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงขั้งที่หนึ่งสติยัมปีขั้งที่หนึ่งนี่พอขั้งที่สองสติยัมปีตัดยัมปีถึงขัางที่สามก็บพรว่าจะถึงขั้งที่สองที่สามในระด้บใดระดับใดระดัถึงจะจบเมืองเขาจะผ่านผ่านที่จบเมือง เรื่องคุณพระธรรมาระสง์ก็ทีนี้ขัวมเร่มใชนักถือทุกเงาเอาเป็นที่เพื่ที่รื่องที่ปฏิูปาติเรื่องกเงาวาณมาในเรื่องใดวิญญาใดก็ถูกขาดองหาอาถรรอทุอย่างคอนเสิร์ตของคุณพระธรรมปรงเนี่ยที่นี้เอมันไมเปลีนไปแล้วอันนี้คเสิรตุพระธรรมประสงค์ที่มันเปลี่ยนไปห้าี่อาโมคบวาถือถือถือถือหนึ่งโมคบวาถือลือถือเงาก็ถือนึ่ มือเชิผ้าถือบวงสวงอันไีนก็ถือนั่งอันไหนก็ถือนีหก็ถือรถเมื่อว่าไรจักอันสู้ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าหรอันนั้นเรจากกบรออรจบเกียรติาย า, ย า, า, น, า, านี่ม น, มมมนมมมุษย์าพิยก า, า, ารชีสาน่ต่างโขสนนั่งเสียมั่งเน่ต่างสารณมุตตมั่งเน่ต่างสานะมากะมะนับพระสุขาภิมุขเจติโดยเจวุฒิท่านจ่าธรรมจ่าสังฆาจ่าสังฆตอ แต่ถึงว่าคือพระธรรมพระสง์เป็นที่เพื่อนมามันจังปลอดไั่ถ้ามาปลอดไั่เน่ยปลอดไัยไปบหอนรกว่นไทร้องหอนรกเกเกกี้พุทธังระนังชะจาขะโธพุทธายเทนะเตขมลุกันจิอปายะปุณิยปะหายมาลีสังเทหังเทอกายังปะริภูเรศันตีติเนไั้ถิ่นพพระธรรมพะสงฆ์เนที่เพื่อนก็นั่นละโลกนี่แลไปบำเท็ในสวรรค์ขพระคุเจ้า บอกว่าเท่าไรน้อยที่อังกฤษเน่ยเนี่ยมโหดมันยังก็นวถึงมันก็จาทำเ้องอนถึงนี้ที่ใจก็ขอแล้วไ้ไปถึงไหนมันไม่เท่าสะเป็นประเทศอินเดีย่นเันก็ถึงเงี้ยขึนได้ใจเท่าเท่ามาวัดก็ถึงยู่เท่ามาวัดก็ถึงรูวัดก็มีมาโนวัดถึงต้นวัดช่างลายกายวัดวชิวัดมาโนวัดอันนี้เป็วัดส่วนตัวไปของมันวัดส่วนลกก็คือวัดจังสี่เลยอ่างนี้ วัดส <ikke> ่วนจองัยเขามั่นกายวัดว่าจี่วัดแม่นนอวัดหรือปฏิบัติศีลถ้ำจำได้ี่กับังที่จ้ของมาพูพระถ้ำผสมอยู่ในวัดตรมนีในทางพราัมณ์ในทางพระสูตรมพูดพระม้ระสมอยู่ยุ่ในวัดศีลท้พระสูตรใทางพราหมณ์อยู่ยุ่งกุลละกายสกุลลใจพราัยเขามั่นที่ประพฤติปฏิบัติสามศนลถ้มพระองค์ก่อทางพรมัตณ์มัดคำอมหาเกี่าใจห่า อดี๋ยนี้วานเมื่องเราบุญไหว้ใต้พงศ์เจ้าโลกเจ้งร้ายห่างเฮิอนล่ะห่างเฮืนจากสีลบ้าคาฟันกันไปแล้วเติบล่ะเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าข้ามาแล้วมไ่ได้ประนุษ่เนี่ยตายก็ตายาาตแล้วมารู่ตัวหลังพรกันรู่ตัวเลยรอย่างนี้นองข้ามโกรกต่อโกรกเสียประงดระมัน มันจิเป็นสงครามในประเทศกราอยมันแน่ว่าญาติโยกันกินแน่ว่าญาติกันกินแนว่าญาตหลับานิโกันในประเทศได้บ้านออกนอกก็ได้วุ่นไหวมอแหกแจกโขเขาไปได้สามบาทว่างมันดีงอันว่าพื่อพระท่านพระสงฆ์ดูละไพ่อักษรไพ่วุฒกาไพยเบียเ์ียนเข้ามาทุกงานทุกมื้อใน่นั่งเื่อเพื่นเขาขบวามันเหมือนนี่บอกมึงได้ว่าพายุใหญ่สมาว หรมาแล้วยครบพระจักทั้งปักไตคนละทั้งชุบพ่อลังสวนคนละชุล่าคนละสัตว์ทั้ง ร, าร้ายนักในราคะไฟจักไม้พระพุทธเจ้านักในราคะไฟจักไม่นักในโทรศัพท์น้ำจะท่วมนักในโมหะหลมจะพัดจะตายด้วยลมจะกล้าให้จะตายด้วาา ย, ยน้ำ มาถ้าแพ้ก็ตายะระล่มตาบอกเห็นแพ้ตาดีน้ตาดีดอ่าอ่าตดีอ้อาไงสักวันละอ้า เข้าเนี่ยเป็นเขียนเขาเี่ยจะนเขียนผูเียนองเขียนผั้เียนเป็นมอมันอ่านอ่าอ่านอันนี้สกดดาสกดง่ายสกัดเศษว้บดดาสกัดอะ้องเริ่มช่มดสกนี่นีนี่อะออ ก็ต้องเป็นวัดยาจัดเป็นสนามเลขมาผูกเอาเลขก็ไม่ผิดกับมาเกหัวพระกับเอาขี้มาทาสำนักซึ่งเป็นแนวความคิดที่เหยียบย่าทำลายพระศาสนาและดูหมิ่นปฏิปทาของสำนักก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละการเอาอบายมุขมาครุกเขามอมเมาในพระพุทธศาสนากับการสร้างมหาอเวจีมหานรกก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุขทุกประเภท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 เห็นพระจันพระอาทิตได้อย่างไรผู้ไม่ถึงใจชรณคมก็อย่างนั้นะ น, นิจจาเอย๋ยบางท่านอ่านแล้วนึกโกรธจงเอากโกรธแตกไปขายให้พระนิพพานในโลกนี้มันเต็มแล้วขายไม่ออกพระนิพพานดับจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไม่ควรเอามาตู่เลยหลวงพ่อหลวงตาหรือหลวงปู่ล่าเขีย ม, มปัตโตมุ่งดีอย่าได้มีเวรไ ท, เท่เชิญศรัทธาธรรมทรงฆ่าล้านามามากมายมูลมอง ศรัทธาหวยหวยเวลาทั้งผู้มาและผู้ต้อนรับเป็นอัปมงคลอาพัพทั้งผู้ต้อนรับและผู้มาสู่ผู้ใจสูงแลดูพิจารณาถอยศรัทธาแลวงเล็บแต่พระศีนาศพท่านพ้นไปแล้ววัดบ้านพดกคีรีผูเจ้ากอบ้านแวงตำบลห น, นองถึงใต้กิงอำเภอห น, นองถึงจังหวัดมุกดาหาร ม้ำหมาย้ำหมาให้ฟังมามาหาหลงปูเนี่ยบรมากเคื่อเล็กเพื่อพ้าเพื่อวัดเพื่อเบอร์อย่งนี้แหละพูขาก็เลย ว, เเว่าเอยตันเจ้าเรียนเหลกเรียนพ้าเดียนวันเดเรียนเบอร์ตัวเ้า กันตัวก็ไม่มีเงินใส่นอกจากอาปาก่อยเอย้ตัวก็เมียตัวก็ลูกตัวบางสี่จะปากเข้าในตาสั่นในยักษ์ซีปีว่าสัน่นเงินมีร้ายอะไรเดี๋ยวนี้ว่าสัน่นชุนก็มีร้ายเมอก็เลยเช่ามาในซีหาเฟย์เดี๋ยวนี้ได้โรคสีอีกโรคนึงละบ้ดนี้เขาพันมาตัวมันเที่ยวไปวัดผู้ว่ะสันนนน่นเนัินเปได้ไปแปลกน้ําเพิ้นเพราะว่าไปวอด มวดคดเนื้อนกสก้านนึกเสมอเพราะเลขกพราะพางเนื้อพราะวเพเบอรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทมสมบัตินิพพานสมบัติพระลมศาสตร์ศาลาจารย์บอกหมดแล้วไม่มีสิ่งท <y ed bridges> ี่จะกินแหงแค่งใจที่ว่าพระองค์ยังไม่สอนพระองค์มุ่งสอนโลกจึงทรงพระนามว่าโลกวิถูมนุตตโรเป็นผู้เยี่ยมผู้ทีสาธรรมสาธาถิ ฝึกตนดีแล้วจึงฝึดผู้อื่นไม่เดือดร้อนในภายหลังพรักษาเทวมนุษยา น, างนังเป็นผู้สอนของเทวดาะนะวันที่ข้างหลายพุโทโธแปลว่าผู้ตื่นจากหลับพระควตแปลว่าเป็นผู้มีมโทษและเป็นผู้จําแนกทำจำแนกทำพระควาจำแนกทานวัดศีวัดเปลาวัดออกวัดฆาตตัวพระควตตาโมถ้ทา ท, ทํามันพวกนี้ว่าพรเจ้ากล่าวดีแล้ว ทันที่โกอันบุคคลผู้บรรลุต้องเห็นเองอาการิโกไม่ประกอบด้วยกาไม่ประกอบด้วยเวลาปฏิบัติเวลาไหนก็ <c oughs> เป็นบุญในเวลานั้นล่วงทําบาปในเวลาไหนก็เป็นบาปในเวลานั้ น, น, น, น, นมันเป็นอยู่ที่หัวใจเอฮิปฏิโกวควรร้องเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ต้องเรียกร้องเรียกให้ผู้ปฏิบัตินนัเองมาดูผู้ไม่ปฏิบัติร้องเรียกให้มาดูมันก็มาเห็น เรียกคนตาบอดมาสนเข็มมันก็สนไม่ได้เพราะผู้ปฏิบัตินั่นเองจะเห็นโป้ก็นั่นอย่าโก้คนนอบเข้ามาใส่ใจแปดหมื่นชีก็ทำมขันคนนอบเข้ามาใส่ใจเข้าใจเป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้ตังเวทิตโปยโยหิอันวินโยชนจากรูตแจ้งเฉพาะตัวโุกัจจายนโวภะกัโทสเศร้ากัสสังโฆมาสงสาว่ากองพวกผู้มีพระเจ้านั้นคือพระโสดาปฏิมาพระโสดาปฏิผลอุชุ ปัจจิปโนภ e, harder, Isaiah, ควโตเศ้าวกสังโคพระสง์สาวัของพระภูมิพระเจ้านั้นคือพระสกทาไสทรมัตสกทาตาภิผลยายยะปัจจิปโนภควโตเ้าวกสังโคสาวุของพระภูมิพระเจ้านั้นคือพระอนาคาไทรมัตพระอนาคาภิผลสาเมกิปัจจิปโนภควโตเ้าวกสังโคประสง์สาวกของพระภูมิพระเจ้านั้นคือพระอรหัตตามัตพระอนหัตตผล เอสาภากราโตทราบข้ารังโกยัติทางนี่อย่างไรจับตาฤิคู่แห่งบุรุษสี่คู่แห่งบุรุษสี่คืออะไรบ้างหนึ่งเสดาวเป็นมรรคเสี้ยวดาปเาาป็นผลเป็นคู่ที่หนึ่งสกทาคยมรรคสกทาคยผลเป็นคู่ที่สองอนาค่ยมรรคอนาค่อยผลเป็นคู่ที่ 3. สามอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่นี่จะว่าจับตาฤิคู่แห่ง บ, บุรุษสีอัตถาโพธิสาภุกรานี่บุรุษบุคคลทั้งหลายแปดคืออะไรบ้าง หนึ่งโสดาปฏิภาวะสองโสดาปฏิผลสามชกทาคายมัคสี่กทาคายผลห้าอนาคายมัคหกอนาคายผลเจดอนาหัตจะมัคแปดอนาหัตจะผลเอซัพกวาโตเศร้ากัตตังโคนี่นะสาวะของพระมีพุทธเจ้านั้นอาหุนโโยปาหุนโโยทักกินโยอัญชลีกรณนิโยอนุตรังผลยักเถตังโลกัสาตินั่นผู้ควรของธรรมบุญเป็นผู้ควรกราบไหวเป็นผู้ควรทับกัทักกินาทาน เป็นผู้ควรรับของทำบุญเป็นผู้ควรกราบควรไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดาเอสาวพคโตเจาค่ะท่านคเนี่ยสาวพระรรครูมีพระเจ้าอนุตตรังเยี่ยมปุญจเขตังโลกัสติเป็นนาบุญของโลกไม่ได้บอกว่าอันอื่นเป็นนาบุญของโลกพระอริยสงฆ์เท่า น, นั้นเป็นนาบุญของโลกพระอริยสงฆ์แบ่งออกเป็นสี่คู่เป็นแปดคู่ทั้งที่ว่ามานี่ มีทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงรวมกันอยู่ในกันด้วย อ, อันนี้สาธุเทศเพวกเราอย่าไปถือาศาสดาอื่นถือาศาสศาสาอื่นมันมัวหมองในพุทธมามากะไม่บริบูรณ์คำสอนของพพุทธเจ้าจะมีมากครับเท่าไรก็ตามก็รวมลงมา หากิตหาใจหาเอกสินเอกะทำของเรานี่เองก็สอนใจเรานั่นเองฟังเทศก็คือฟังใจปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจถ้าไม่มีใจก็ปฏิบัติไม่ได้แผ่นดินแผ่นหญ้ามันก็ปฏิบัติไม่ได้แผ่นดินแผ่นดอนแผ่นหยาดผ้าผ้าเนี่ยดินลอบมันปฏิบัติบมื่อไรมั่นกระทําบาปท่าบุญเมื่อไรก็มันจิตใจเน่ยพาเขาไป ท, าทนนําบาปท่าบุญนะวะอาจารย์ดำออกไปรายอาหารลงมาหาใจ บรหารก็หารลงมาหายใจโอพะนั โ, โกโก็น้อมเข้ามาใส่ใจปัจจตังหายจักเห็นทีนี้คนนี้จะถามยังไงก็ถามชาตนไงจะพูดอะไรก็พูดสก็เรืงแต่เราจะชัดถ้าเราชัดในหัวใจแล้วเรายังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้น ได้บกันได้กันก็อ่ อ, อ, อ, อ, อที่หลวงปู่เวลาออกทุดงนี่ได้บอกว่าจะจะต้องเอ่อเอ่ อ, า อ, อ, า อ, อาาานามาว่าอน้ำเมตตาตลอดเวลาอันนี้ภาวนาในมิชาเสื่สูงภานาเมตตาบางท่านอพิจารณาวะอหังทุกที่โตโมมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขเอเวโรโหมิขอข้า พ, เ จ, าจ เ, ขขาพเจ้าอย่าได้มีในภาย อพยาประโชโฮนี่ก็ดีขออยาให้ข้าพเจ้ามีพยาเบีบเบียนหรือป่วยไข้อันนี้โคก็ดีขอให้ข้าพโดยใจความก็คือว่าขอข้าพเจ้าจงมันสุขในพุทธคำสงฆ์ทุกวาเถิโดยใจความถ้าเอาไปทางรัฐอ่าเดทีนี้แผ่เมตตาตนเสียก่อนถ้าแผ่เมตตาตนไม่ลงแล้วจะไปแผ่เมตตาท่านผู้อื่นมันก็ไม่ไป เหมือนผายเรือโต้หน้าแผ่เมตตาตนยังไงครับหลวงปู่ครับเพราะให้เราเป็นสุขงไงพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบสุขต้องเอาตนเป็นพยานซะก่อนถ้าไม่เอาตนเป็นพยานแผ่เมตตามันไม่ไปมันไม่ถนัดเพราะตนไม่ชอบให้มีใครมาเบียดเบียนไม่ชอบให้มีใครมารักมาเบียดเบียนในทางตรงและทางอ้อมทั้งกายและจิต สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนในทางตรงและทาง อ, อ้อมเนื่องจากนัน้นจริงว่าอาหารทุกงโตโฮมินทุกโภคโมิเอเวโรโฮ ม, มิอปัญญาปิโโชโฮมิอานิโฟโฮมิสัตย์อังน า, งาลหารามิรักความสุขรักษาความสุขของตนให้เป็นสุขเถิดถึงจะได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ชอบสุขสัตว์ทั้งหลายถึงจะสมประสงหรือไม่สมประสงก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ต้องชอบสุขหมดเช่นนอก่างนี้เวลาเราไปมันกลัวมันมันไม่ว่าใจมันก็บินนี เพราะมันรักชีวิตของมันกบอย่างนี้ก็กระโดดตรงน้ําเลยอืสุนัขอย่างนี้ถือค้อใส่มามันก็วิ่งหนีเลยถ้าอย่างนั้นทําตาขึงใส่มามันก็วิ่งหนีเพราะมันรักชีวิตของมันมันเกรงว่าจะทําอันตรายมันนกหนู๋กูเปริกรักษาชีวิตของตนรักชีวิตของตนทั้งนั้นนี่เมื่อเห็นว่าตนรักชีวิตของตนแล้วสัตว์อื่นก็ต้องรักเหมือนกันที่นี้ก็ละแพ่เมตตาไปหาสัตว์อื่น น้ำรับรับผูดน้นไม่ได้แผ่มากโยนี่สีทุกท้นหน้าจงเป็นสุขใมพุทธธรรมสงศ์อยู่ทุกมาเถิดมาจากภูเก็ตพงาแผ่เมตตาไม่มีกลางวันกลางคืนเลยจันลิดมากระดุกนอนรับก็นับคากันทุกวันนี้ก็เอาอยู่ถ้าไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่แผ่เมตตาไ ม, ไม่ได้อยู่นี่ก่อนจะอยู่ที่ได้ได้จนถึงสามสี่ปีก็แผ่เมตตาด้วยถ้าไมแผ่เมตตามันก็ไปติดตะพืตะเือละ พรอรหันต์ดูที่ไหนก็ต้องแผ่เมตตาที่นะ่าแผ่เมตตาลนตรงจนถึงอนัตตาธรรมคืออนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วก็ผู้แผ่เมตตาเป็นคู่กับปานาทิบาตไม่ใช่ได้อยากจะฆ่าจับเมตตันจะสัพพโรกัมิง มาในสัมภาวยายอภาริมา낭มันมีในสูตรเหมือนกันพุทธังอาเทวจะจิตยัญจะสัมภาทางเวรังอสะปตังเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องต่าสถานกาทั่วทั้งใจโลกท่าตโยนี้สี่ทุกทุกหน้าจะเป็นสุขในพุทธธรรมสงโยทุกวันเถื่อทุกวันเนี้แผ่อยู่ทุกวันเวลาจะนอนเวลาจะไปที่ไหนก็ได้ขึ้นรถขึ้นเรือก็แผ่อยู่บางทีเพราะเกรงว่ารถจะไปชนกันภาวนาพุทโธแผลเมตตาเนี่ยมันแผ่พรอะกำลมให้ใจเข้าออกมันได้กรรมฐานสามอย่าง โดยนิสิตุทุ ก, ท ก, ทกทหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมน้าเถื่อนเราแผ่ความกำลมให้ใจเขาออกก็ได้อีกอาณาปณะสติอีกอาณาปณะสติอีกกรรมฐ า, านหนึ่งทีนี่จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมน้าเถิดเราก็ได้กรรมฐ า, านอีกสามอั น, นรวมกันก็เป็นเรื่องแลลึกถึงคุณความว่าพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในตัวอีกทีนี้เราแผ่ร้องถึงอนัตตาธรรมทีนี่ธรรมอันไม่มีเวรธรรมอันไม่มีภยัยเราก็พกะพริบกันอนัตตาควบกำลมประยิบทีนี่ มันเป็นสี่เป็นสามเป็นสี่ก็ตรรมาฐานเนี่ยยิงนกตัวเดียวได้ตั้งสี่ตัวเนี่ยถ้าค่ายครับอย่างนั้นเราพูดจะหยาบเข้าใจแล้วนะครับเวลาเราเดินจงกรมนะครับเวลาเราเดินจงกรมนี่เอถ้าสมมติเราไม่ยกมือขึ้นอย่างนี้ถ้าเรายืนปล่อยเราปล่อยมือนี่ถ้าไม่มีผู้คนนี่จะถือว่าเป็นการดูถูกผู้ชาหรือเปล่าไม่มันขึ้นอยู่กับใจใจชัดยังไงก็ทําอย่างนั้นเราชัดยังไงก็เข้าทำอย่างนั้น เช่นนักมวยเหมือนกันบางคนเขาก็มายกคู่เวลาเขาชกเขาก็ตะแคงข้างขวาตเต้นย็ดเต้นเขาไปเลยเขาก็ชกเลยมันมันชัดอยู่กับเจ้าของอันนี้วิธีของเราวิธีของท่านผู้อื่นจะเอามาเป็นวิธีเดียวกันไม่ได้เช่นท่านผู้ชำนาญแล้วอย่างนี้ผู้ชนานาญแล้วผู้พิจารณาวิปัฒนาต้องการวิปัฒนาเวลาไหนก็ได้ เมื่หายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเห็นทั้งคุณพระตไตรปิฎกครบด้วยพรามีอยู่เท่าเมหายใจเข้าออกก็ขึ้นความสงสัยเลยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละบคนอ๋อพูดอีกหนึครับอยากจะเรียนถามหลวงปู่อีนิดหนึ่งคือการสอนใจเพื่อจะลดละกิเลสครับหลวงป่อว่วอธิบายนิดนึ่งเวลาเดินจงกรม ถ้าจิตรวมมันลดเองมันมันเบาเองมันถ้าจิตมันรวมมันก็ยุ่งเหยิงถ้าจิตมันอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมันก็ห้ามร่ออยู่ห้ามเบิดอยู่ถ้าจิตมันอยู่ในกรมทรมฐานทีนี้เกเมันจะเกิดขึ้นก็กลางรร ม, มั่วเมตกความติในทางกลามนึกถึงเรื่องกลามอารมณ์คนนั้นสวยอยู่ที่นั่นคนนี้นสวยอยู่ที่นี่รักกามอารมณ์เป็นหยาบหยาบกา ม, มารมณ์อันหยาบก็เรื่องผู้หญิงกับผู้ชายอันกลามอารมณ์อัน รูปยังกินลถผลสะพัะอันเล็กๆน้อยๆตักรมอารมณ์อันหนึ่งอีกการารมณ์เป็นของละเอียดเนอะเพราะอนาคามีจึงจะละได้การอารมณ์ละขาดเลยพระสาวันละได้กามอารมณ์แต่เฉพาะผู้อื่นนอกจากสามีและภรรยาของตนส่วนกามารมณ์ที่ปรุงไปกับคนนั้นคนนี้มีอยู่แต่ถ้าไม่ร่วงละเมิดเห็นคนนั้นสวยเห็นคนนี้สวย อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็นสมมติอยู่เหมือนกันสมมุติในเรื่องสวยเรื่องเรื่องมาสวยไม่สวยแต่พระอนาคามีไม่เลยขาดเลยโทสะลมเอกคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นให้เราคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ให้เราเบื่อมันจริงจริงเรียกว่าโทสะลมส่วนโมหะลมหมายความว่าสำคัญว่าเราเป็นตัวตัวเป็นตนเนเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลยกว่าโมหะลมอันละเอียดเ เมื่อพิจารณาอนัตตาเขาเป็นรัศก็รูปเป็นรัศกรอย่าราคะโทสะโมหะก็มันมาใกล้ในขณะนั้นแต่จะขาดก็เป็นขาดมันเกิดอยู่กับปัญญาของตนที่เห็นชัดถ้ามันเห็นชัดแล้วมันก็ขาดไม่เกิดมาอีกทำไมมันไม่เห็นชัดมันก็มาอีกเหมือนกันเหมือนเรากราดจอกเดี๋ยวมันก็ไลมาอีกมันเป็นคำพนักประหารมันเป็นศิลาทับญ้าเมื่อเอาศิลาออกแล้วมันก็งอกขึ้นอีก อเอาไปรเรียนถามเรื่องศีลนิดหนึ่งครับคือตามสีท่าศีลแบบนี้่รับว่าถ้าเ อ, อเราไปถูกต้องผู้หญิงแต่ว่าเราไม่มีเจตนา น, นี่จะเป็นเข้าใ จ, จ<ะ>เข้าใจเอาละถ้าเราไปถูกต้องผู้หญิงไม่มีเจตนาไม่เป็นปัญหาลัตตามาเคยเป็นรถขึ้นรถที่ทู่งสงเวลาจะกลับจากทุกข์เทศทงาน ต่างคนก็ต่างจะขึ้นเราก็จะขึ้นตู้สองเขาก็ขึ้นตามหลังเราเขามาชนเราเอยชนพระแล้วมาชนพระแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าใครชนชนพระแล้วแต่เราไม่รับสัมผัสยังไงเราก็ชอยถ้าเรายินดีเอออยากให้ชนอีกบ้างอย่างนั้นมันก็เป็นสิ <c oughs> ่งอวบเข้าใจเลยนะที่นี่เข้าใจ เรคุณมนผู้ใดมีอะ ไ, ไ, ไรจะถามเชิญเลยครับเรียนธรรมะต้องถามนะครับไม่ก็เก็บไปแล้วก็มไม่สนุกครับถูกเชินผู้ท่านเท่าไหร่ครับแค่ไปตามปฏิญญาบันจบไม่เป็น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 เอาไหมคือพอไห น, นเอาไหมคือพอไหนพ่ยพายพายนักสอนดีๆเขมามากไหมมาทา ม, มาทำมอได้มาเข้าใจ ม, มาทำเรียนลวงปูที่ผได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้อ่านดูประวัติของลูกปูก็รู้สึกว่าศักด์สึมากแต่ยังสงสัยในคำกรเรื่องว่าคำโครงบางสิ่งบางอย่าง ถึ่พมว่าได้เรียนได้อ่านดูว่ามีอยู่แบบวันเลิกได้ไม่เลื่อนกได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดกลับเท้าถูถอยขอคำมาโทษต่อผู้ทำสงผู้กายใาใจใจอยทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพันทุกในสงสารโดยดวนซึ่งเชิงในชาตินี้เถิดในว่าที่หนึ่งวันที่สองวะตอนเลอกได้ไม่ตอนเลอกได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดกลับเท้าถูถอยชีวิตจิตใจบรจาปฏิบัติบูชาต่อผู้ทำสงผู้ไการใบใจใจอยทุกเมื่อน มีประมาณเพื่อบรรทุกในสงสารโดยวนเช่นเชิงในชาตินี้เถิดมีประมาณหกเจ็บักวอกสุดท้ายว่ารอดลึตได้ไม่รอดลึกได้ก็ดีปัจจุบันนีจิตปัจจุบันทำใดที่เป็นธรรมอรุท้นไม่กลับปลอกไม่เหลือเศษข้าพเจ้ากดีบรรดาท่านผู้เคารบรัฐปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อหลุดเพื่อพ้นโดยด่วนในปัจจุบันชาตนี้กวีขอจงหลุดพ้นจากอาสวะโดยเด็ดขาดไม่มีเชื้อเถืออยู่ทุกเมื่อเถิดอันนี้มันเป็นคำอาคําภาวนาหรือว่าเป็นคํา อะไรกันยังไม่ไม่เข้าใจกับเป็นคำอธิษฐานอธิษฐานนะปารามิสัมปันโนเป็นคําสัจจะปารามิสัมปันโนเข้าใจแล้วนะอธิษฐานแต่ว่าจะแอบ ก, กินแต่คําอธิษฐานก็ไม่ถูกเมื่อเราได้เลือกได้ไม่ได้ก็ดีเราว่าควบไปหมดแล้วเมื่อเราไม่ได้เลือกถึงมันก็เป็นได้เลืกถึงอยู่เพราะเอาเราอธิษฐานมาอย่างนั้นแล้วถูกไหม ถ, ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทุกข์ใจแล้ว ี่นี่ผู้ภาวนาไปหวังพระพุทธพุทธทุก น, นปัจจุบันในชาติเขาก็จับเอาปัจจุบัน น, นิจปัจจุบันธรรมเลยไม่ต้องตีโหหา น, านปัจจุบันกิจปัจจุันธรรมอั น, นรคือพุทธพ้นธก็กรอกไม่แยะเศษลุตตาเป็นจริงวัจิบันตาเปนจริงรพุทธพุทธตาเป็นจริงในขณะเดียวกันไม่มีอะไดก่นนอนในหลังจงให้ลุ้ตาเป็นจริงวัจิบันตาเป็นจริงรพุทธพุทธาเปนจริงอยู่ทุกนาเทนีนี่หมายความว่าผู้เจริญมีวัจนาแก่ก้าแล้วแต่ว่าผู้ต้นก็ให้อธิษฐานแบบนั้น อันนี้หมายความว่าพูดเผื่อพวกที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวพวกเราต้องพ้นทุกข์ในปัจจุบันนายมปัจจุบันนิจิตปัจจุบันนธรรมนนพเพราะผู้ที่กิตอ่อนก็ให้ผู้ที่ยังสร้างบารมีต่ําต้อยก็ให้เอาข้อต้นผู้ที่ทำบารมีแก่ต้ามาแล้วก็จะเข้าเอาครอบข้อปลายเข้าใจนะที่<อ>นี้่เอาจริงไม่มี <laughs> อะไรว่า <laughs> ก็เรื่องการปฏิบัติธรรมกันอย่างว่าผมก็ศึกษามานินดิน้นหน่อยก็คงจะมีหลายท่านที่เป็นนักบาชญอาจารย์ก็มีพวกที่เรียนนําธรรมะนักทำโทนักทำโททำเอกก็มีแต่กระผมก็ไปเรียนพระอภิธรรมที่จามรยองเรียนมาแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานนี่เพะว่าจิตเป็นอีกมวนหนึ่งแล้วก็เจตสิกอีกอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่ ง, งนิพพานอย่างหนึ่งมันแยกแยะ ก, กันออกไปนี่ที่จะมารวมอยู่ในตัวเรานี่มันมันเป็นไงกับผมก็ยังยังดังเลกันอยู่ครับเรื่องจิตเจตสิกรูปนนนพี่ รเจตสิทิตรูกจิตเจลุกจิตเจนี่อกษรย่อรูปก็แปลว่าดินน้ำไฟลมสงกันเดินการของรูกจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารเวิยญาณรวมเข้าเป็นอาการของจิตเจตสิิก็คืออารมณ์เชื่อเกิดกับใจเป็นส่วนนี้เราก็สน เป็นส่วนช่วยเลยอัคศสลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ช่วยเลยอัปยาจิตเรียกว่าสังขารทีนี้ท่านบอกว่าพระเนพานเป็นจิตไหมพระเนปาลไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระเนปานจิตเป็นทางเดินเข้าสู่พระนเนปาลเฉ ย, เฉยจิตก็ค่าค่าขับเรือกับแพเรานี่เองค้าค่าขับรถเรานี่เองศีษ ส, สมาธิปัญญารวมลงที่จิตจึง จิตเป็นทางเดินเข้าสู่พระเพปานถ้าถึงพระเนพานแล้วพระเนพานไม่ใช่จิตเพราะเหตุใดท่านลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมันโวยอุปทานไม่ว่าจิตลดพ้นจากกิเลสต่างหาส่วนพระเนพานไม่เป็นรูปเป็นนามแค่แล้วส่วนจิตจัดเข้าในนามขันพระเนพานไม่ได้จัดเข้าในนามขันพระเนพานเป็นก็เหมือนกันพระเนพานเป็นที่พระอรหันต์ยังไม่สิ้นลมตาเน่ย จะจับเป็นนามขันไม่ถูกอพอเพระพระรหันทริลมันแล้วก็ไม่เป็นนามขันอีกเหมือนกันรูปขันก็ไม่ใช่ธาตุก็ไม่ใช่ธาตุก็เป็นธาตุอันที่มาเกิดไม่ดับขันก็เป็นมิวติขันไปแล้วมิมุติยา น, ฐฐานาัชชนขัขันไปแล้วเรื่องนิพานนี่มันก็มีคนสงสัยกันพูดกันจะไม่ลอยลอยบ้างว่านิพานไปนแล้วว่าดับไปลวตายเลยถ้าว่าดับไม่ได้เกิดไม่ได้ตายมันมันเป็นยังไงกับเราคน บุญก็ไม่ได้บุญมาได้บาปแล้วถ้าไม่ได้เกิดไม่ได้ตายนี่มันเป็นนิพพานได้ไงมีคนสงสัยกันมากก่อนในมณฑลหลวงปู่ได้แยกๆเรื่องนินังนี้เรื่องพระนิพพานนะมันก็คือดับเบิดในวัฏสงสารถ้าเกิดไม่มีในที่ใดที่นั่นคือพระนิพพานราคะโทสะโมหะไม่มีในที่ใดที่นั่นก็คือพระนิพพาน ถ้าอย่างนั้นดินหญ้าไฟลมมันก็ไม่มีราคาโทสะโมหะมันเป็นพระนิพพา น, น, นไหมถ้าไม่หมายอย่างนั้นหมายแต่เฉพาะษษ จ, จิตใจที่ไม่มีราคาโทสะโมหะคือพระนิพพานพระนิพพานก็คือดับเพลินนะว า, าทั้งทั้งสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่เป็นรูปไม่เป็นนามที่นี่มันก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนกันเมื่อเราอยู่ในระดับใดยังไม่ถึงพระนิพพาน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 เราอยู่ที่ใต้ขอนเราตาไปฟ้ามันไม่เคยไปสักเกลี้ยมก็บอกว่าเหมือนแหนที่นั่นไหมไม่เหมือนไม่ไม่ไมไม่เหมือนตมเหมือนโคลนที่นั่นไหมไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนถ้ำที่เราออกมานี่ไม่มีน้ําอยู่ถ้ำที่เราออกมาเมื่อกี้มีรู้อยู่ไม่ไม่ไม่มเพราะฟ้าไม่เคยอยู่บนบกพอที่จําได้อืเหียที่นั่นเต่าไปเล่าให้ฟังมันก็เอาแต่ ที่มันเคยเห็นแล้วมาเทียบว่าที่มันไม่เคยเห็นมันก็เอามาเทียบไม่ได้เพราะนั้นในกรณีเมื่อเราตัดติดอยู่ในกองนาลูกก็เราเอาอกกองน้ําลูกมาเทียบพระเนพานมันก็ไม่ถูกกันล่างเข้าใจไ้มทีนี้เพราะเหตุไหนเราจริงไม่รู้จักพระเนปานพระเนปานพระเนปานเราก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระนิพปานเราพูดไม่ออกใช่แล้วคําว่าอรหันอรหันเราก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระอรหันมันเป็นอีกแบบหนึ่ง พระสวสดาวาิบาลพระสวสดาบาันแล้วก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระสวสดาบาลมันไปอีกอย่างสักคาคามีสักคาคามีแล้วก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระ อ, อานาคามีไปอีกแบบหนึ่งอนาคามีอนาคามีแล้วก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระอนาคามีไปอีกแบบหงอรหันต์อรหันต์แล้ก็พูดได้อยู่ ici, แ, ดดยแต่รสชาติของพระอรหันต์ไปไปอีกแบบหนึ่งนั่นถ้าเราจะถามว่าเกลือนี่มันเค็มขนาดไหนครับเค็มขนาดนั้นเค็มขนาดนี้ถึง เราก็ยังสงสัยอยู่ถ้าอย่างนั้นเอา้าขอให้คุณจิบเกลือดูสิเค็มหรือไม่เป็นยังไงเรื่งของเกลือเธอจะถามเอียกไห ม, มก็หมดปัญหาก็ไม่ถามเพราะรู้จักกินมาแล้วเข้าใจไหมที่นี่เข้าใจแล้วรู้จักความหมายแล้วใช่ไห ที่เราไม่เห็นพระเนพานเราก็วาดภาพเออคงเป็นสนเหมือนแสงไฟนีคนนน่คงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้เราก็วาดภาพไปแล้วไงส า, ารภาพภาพเราอยู่ในชาตอยู่ในที่ไหนเราก็วาดไปละแต่ท่านพูดถึงพระเนพานท่านรู้เองเห็นแล้วพระธรรมจึงเป็นสันทิทีิโกผู้บรรลุย่อมเห็นเองไปแต่ละชั้นละชั้นท่านจึงเทียบให้ว่าพระบรมศาสตราเทียบละเห็นพระเนพาน ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศสารนันกายตนะไม่ใช่ปฐมฌานไม่ใช่ทุติยฌานไม่ใช่ตติยฌานไม่ใช่จตุตฌานไม่ใช่อากาศสารอ่าอากาศสารนันกายตนะไม่ใช่วิญญาณันกายกตนะไม่ใช่อาจินจัญญาณตนะไม่ใช่ใช่นวสัญญายาณัญญายกัตนะไม่ใช่นในรถสมาบัติจึ่งเหล่านี้เป็นที่พักของพระรยาเจ้าต่างหาไม่ใช่ท่านจะหอไปพระนิพพานด้วย ท่ปล่อยไว้เมหตุนั้นพระบรมศาสีาิกธาตุเข้าสู่พระนิพพานจึงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานสัตตุฌาน ต, ตลอดถึงอาการสานนจาตลอดถึงนิโรธสมาบัติแล้วก็ถอยไปถอยมาแล้วก็ท่านก็เลยเข้าสู่พระนิพพานไปสักนี่เยอะๆแต่ที่เอาให้ฟังอย่างกก่อนพระรหัสที่จะตายมาเห็นสกนลลกายของเราอยู่ขณะทีตหนึ่ง แล้วพิจิตม่ติดอยู่ในอดีตไม่ติดอยู่ในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันไม่ติดอยู่ในพระรูปในปัจจุบันด้วยเพราะเห็นเป็นอนัตตาทำหมดแยกจิตออกจากตนแยกตนออกจากจิตแยกพระรูออกจากตนและแยกตนออกจากพระรูปไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในสุขทุกข์อุเบกขาด้วยไม่ติดอยู่ในใดในที่ทั้งปวงด้วยไม่ซ้าคันตัวเป็นจิต ไม่สำคัญตัวเป็นจิตไม่สําคัญจิตก็เป็นตัวไม่สําคัญตัวเป็นโพลูไม่สําคัญตัวผู้ลูเป็นตัวไม่สําคัญว่าสุขทุกขเวทขาเป็นตัวไม่สําคัญว่าตัวเป็นสุขทุกขเวทขาไม่สําคัญตัวเป็นศูนย์ไม่สําคัญตัวว่าศูนย์เป็นตัวไม่สําคัญตัวพระนิพพานเป็นตัวไม่สําคัญตัวตัวพระนิพพานเป็นเราเราเป็นพระนิพพานไม่สําคัญว่าเราเป็นสังขารสังขารสังขารเป็นเราไม่สําคัญตัวในที่ใดทางเที่นดับจริยมกจิต ในที่นั้นจะดับรู้ในที่นั้นท่านก็เข้าสู่อนุภาคเฉยๆพระนิพพานไปสักหนึ่งหลักมีอยู่อย่างนั้นเข้าใจแล้วนั่นเองเออเข้าใจแล้วหลักมีอยู่อย่างนั้นเราลู่สังขารตามเป็นจริงของสังขารเราลู่พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานเราลู่สมุติตามเป็นจริงของสมุติเรารููวิมุตติตามเป็นจริงของวิมุติเรารููอดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารููอนาคตตามเป็นจริงของอนาคต เรารู้ปัจจุบันตามจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงานทั้งปวงถ้าเราติดอยู่ในอันใดอันหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้จักอันนั้นถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้จักสังขารถ้าเราติดอยู่ในพระนิพานก็เรียกว่าเรามีอุปาทานถือพระนิพานอยู่เรียกว่าเราไม่รู้พระิพานถ้าเราติดอยู่ในอัตตาก็เรียกว่าเราไม่รู้อัตตาเพราะเรายังติดสําคัญตัวเราเป็นอัตตาสําคัญว่าอัตตาเป็นตนถ้าเราติดอยู่ในอนัตตาก็เรียกว่าเราไม่อยู่ไม่รู้อนัตตา เพราะเราจะสําคัญว่าตนเป็นอนัตตาจะสําคัญว่าอนัตตาเป็นตนเหตุฉะนั้นเราไม่ติดอยู่ในการปรกรณ์ทั้งพวงเลยเราจะตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยรุดตามเป็นจริงด้วยพระพรมศาสตรานพูดให้เราฟังอย่างนั้นไม่ติดไอยู่อะไร่ใดทั้งสิ้นทั้งปริยัติ ป, ปฏิบัติ ป, ปฏิเวทผลของปฏิเวทก็ไม่ติดผลของปฏิยัติก็ไม่ติดบุญท่านก็ไม่ติดบาปท่านก็ไม่ติดท่านจะไปติดบุญทำไมเพราะท่านสร้างพอแล้วท่านจะไปติดบาปทําไมเพราะท่านละพอแล้วเพราะท่านพ้นพอแล้ว ถไม่ติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นไม่จิดอยู่ในที่ศูนย์แล้วไม่ศูนย์นั่นแหละคือที่สุดแห่งกองทุกเอสะวันโตทุกขะตะที่สุดแห่งกองทุกภาวรมศาศ ส, สดาเยี่ย่างละเอียดไหมการทำพุทธศาสนาละเอียดมากถูกไหมที่พวกที่ไปติดตายคาปฐมฌานตายคาทุติฌานตายกากฌานรูกฌานตายกากกับลูกฌานแต่ยังไม่ลดท้นเพราะยังมีอุปทานอยู่ เพราะเนี่ไมมยไปเกิดพรหมโลกร้อยจะเกิดพรหมโลกมีอายุยืนเหมือนกันอาลาลดาบทอตกาดาบทรามาบทน่นตายคาเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บริกรรมอ ย, อย่างนั้นละโดยใจความเป็นภาษาไทยถ้าพูดเป็นตามภาษาไทยล้ ว, ว่า <tone> เป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่ เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่เพิกกระชินแล้วไม่เหนียวรูปเป็นอารมณ์เหนี่ยวอรูปมาเป็นอารมณ์ตายคานั่นก็ไปเกิดอารมณ์พระมแปดหมื่นสี่พันกับแปดหมื่นสี่พันกับจะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาแปดมื่นสี่พันกับแต่ละกับละกับมันก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ม่าพัฒน์กับเรานี้มีพระพุทธเจ้าหพระองค์พัฒน์กับเราเนี้ แปดหมื่นสี่พันกับจะมีกี่พระองค์จะ ก, กี่ล้านปีในมนุษย์นับไม่ไหวใช่แล้วนับในเมืองสวรรค์ก็ยังไม่ไหวนับผมก็แปดหมื่นสี่พันกัปแล้วทีนี้นับเป็นปีในผมก็นับไม่ไหวอีกเหมือนกันซั์ขนาดถึงขนาดนั้นแล้ยังได้มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะาทุกสารอีกอยูนะ่เพราะยังเป็นโลกีอยู่นะเะมุได้จึงเป็นโลกีเพราะยังไม่ถึงศาสนาพุทธ ย, ยังไม่ถึงพระโสดาบันนะ้อ เพราะยังไม่ยอมถือศาสนาพุทธจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามไม่ถึงพระโสดาบันเช่นอลาลาดาบท เ, เช่นภาษาเรบุตรกับพระโมฆะคารานกลับมาเลื่อมใสศาสนาพุทธเสียก่อนเลื่อมใสพระอาาัศเชษก็คือเลื่อมใสศา ส, าสาานาพุทธตามสงฆ น, นเองแล้วจึงมาเทศอา น, นิจจังให้ฟังแล้วเขาจึงสําเร็จพระโสดาบันจะเห็นอา น, นิจจังสักเพียงไหนก็ตาม ถ้าไม่ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่สามารถถึงวัชรธรรมเพระาะศาสนาอื่นนั่นด้านปัญญานรืพัฒนาเขาสามารถเห็นอันนี้จังับทุกขังท่านอนัตตาเขาไม่เห็นเขาอ่านไม่ออกเลยลอนัตตาเพราะพุทธศาสานานี่ยอนัตตารมเป็นทำอันลึกซึ่งที่สุดกับเนรุสมาบัตดลึกซึ้งกว่าเขาไปอีกนางธรรมเทนา นางเป็นพระอรหันต์ผัวเป็นผัวของนางธรรมธินาเป็นพระอนาคามีเป็นอุบาสกวิสาขาอบาสกไม่ใช่นางวิสาขาเป็นพระอนาคาเมียส่วนผัวส่วนเมียมเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถามนางนางเป็นพระอรหันต์เตวิทโชสระเพินโยก็จะสัมพิทัพปโตอีกด้วยนางไม่ใช่สุขวิพัตโก นางธรรมทีนอนอคุณแม่คุณแม่คุณแม่เรียกเรียกภรรยาบอกว่าคุณแม่คุณแม่เข้าในโรธ ส, สมาบัติเวลาเข้าในโรธ ส, สมาบัตินั้นจิตใจของคุณแม่เขอยู่ที่ไหนเวลาเข้าเข้าอันใดก่อนเวลาออกออกอันใดก่อนในเวลาที่อยู่ในนิโรธ ส, สมาบัตินั้นนึกอะไรบ้างไม่ได้นึกว่าอยู่ในนิโรธ ส, สมาบัติ และไม่เนี่ยนกว่าตนอยู่นอกนิโรธสมาบัติไม่สําคัญตัวอยู่ในนิโรธสมาบัติไม่สําคัญตัวอยู่นอกนิโรธสมาบัติแต่พอเวลาออกมาออกมาหาจิตตะสังขารก่อนออกมาจิตตะสังขารแล้วก็ออกมาหาวิกีสังขารเวลาออกออกมาหาวิกีสังขารแล้วก็ออกมาหากายะสังขารมาเห็นลมหายใจเข้าออกท่นพูดนะเวลาเข้าก็เข้าลมหายใจเข้าออกก่อนรับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ ดับวิจิสังขารความตึกดับจิตวาสังหารที่เขาเข้าในรถสมาบัติเลยนี่รถสมาบัติเป็นมีปัญหาสอนเข้ามาว่านี่รถสมาบัติเป็นอนิจจังไหมนี่รถสมาบัติก็คืออนิจจังเราดีดีนี่เองมดกำลังเขาสอนออกมาเน็ตฉะนั้นพระพุทธมาสการ า, าจึงไม่ติดอยู่แต่เข้าเฉยเข้าเป็นเครื่องอยู่ของขันธ์เทวบาเฉยๆข้าวสารุปะอะไรอีก่จ มันถามเลยเอ้ามพนเลยสงสัยครับอันนี้ผู้ไทยเลยว่าเราวก็ไอะไทางห้องพอกคือว่าเราดีว่าครับมีใช้เรียนทํามางพู่เลยครับมั น, นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างแต่ละอย่างละอย่างกรรมฐานเนี่ย ถึงทรงต่อถึงพันธุ์พันธเมื่อกรรมฐานกนระย่างระยา่าท่้องทรงมาปิดคือว่ากรรมฐ า, านมไม่คายสิเป็นท่าโ ม, ม่ที่จะทรงไว้ทรงไหวเห็งท่ามอันบ่ตายบ่แกบ่เก็บกบ่บาบาตายท่าโ ม, ม่เบื้องตนคือพระสวดา์วันท่าโ ม, ม่เบื้องกลางคือสักท่าข้ามีท่าโ ม, ม่เบื้องท้ายคือพระละหันทรงไหว ธรรมโมธรรมะแต่ว่าทรงอยู่ทรงไหวซึ่งพระสวสดาบันทรงไว้ซึ่งพระสกทาคามีทรงไหวซึ่งพระอนาคามีทรงไว้ซึ่งพระอรหันต์สังโฆก็คือปฏิบัติเป็นพระสวสดาบาลปฏิบัติเป็นพระสกทาคามีปฏิบัติเป็นพระอนาคามีปฏิบัติเป็นพระอรหันต์สังโฆคําเดียวพุทโธพุทโธของสมาธมพุทธะชัมพุทธะเป็นพุทโธจําพวกหนึ่งพระพระเจกะพุทธะสี่ยัมพวก สมมทัพุทธเจ้าพวกหนึ่งพระปเจกกับพุทธเจ้าพวกหนึ่งอรหันต์ตาชีงาศพพุทธเจ้าพวกหนึ่งอาหันต์ตาชีนาศพแบ่งออกเป็นสองเพศหญิงหนึ่งเพศชายหนึ่งเรียกว่าสาวิกาเรียกว่าสาวกเป็นผู้หญิงเรียกว่าสาวิกานี่ก็สาวกจัมพวกหนึ่งพุทโธอีกจัมพวกหนึ่งเหมือนกันเท่นี้ธนันก็แบ่งออกเป็นสีเหมือนกันทุกขะตะโกเตวิโชชระเป็นโดปฏิสัมพุประตู หมายถึงเพศหญิงและเพศชายด้วยส่วนภูมิของพระธรรมาตพุทธเจ้าไม่ผ่านชุบเจมโนไม่เคยผ่านอุชุไม่ผ่านยายะไม่ผ่านสามีจิตพอเต็มภูมิก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยถ้าผ่านพระสวัสดิบาลสักระตาคามีอนาคามีอหรหันสาวกไปแล้วไม่ถูกพระประเจ ก, ก็เหมือนกันไม่ได้ผ่านพระสวัสดิบาลไม่ได้ผ่านสักระตาคามี ไม่ได้ผ่านพระอนาคามีพระเต็มภูมิก็เป็นประเจกกะอรหันเลยไม่เหมือนสาวกสาวกต้องผ่านชั่วปฐพโนชุ่วยะสามีเสียก่อนสาวกเึ็นผ่านจะผ่านเร็วหรือช้าก็ต้องผ่านสมัยเราเขาไปกรุงเทพจะขี่เครื่องวินไปก็ต้องผ่านโคราชเสียก่อนจะไปเร็วหรือช้าเขาต้องผ่านร้อเอ็ดผ่านภาคอีสานเสียก่อนจะไปเร็วหรือไปช้าเขาต้องผ่านเนื้อที่มัน ทมของพพุทธศาสนาเป็นทำอันละเอียบเป็นทำอันเหลือโดยสายของพุทธชนคนหนาจะดาวด้นคาดพันีมัตต์ผ่านชุบจักรนโนชะก่อนเอาทุบจักรพนโนเป็นหลักภพประจำรังตน้นถ้าเสียดายอยากร่วงละเมิดสิ้นห้าอยู่ไม่ใช่สุบจักนโอถ้าเสียดายอยากร่วงละเมิด อ, อาวายมุกอยู่ก็ไม่ใช่สุบจักพนโอถ้าเสียดายอยากจะสาดแฉ่ รักทั้งหลางอยู่ก็ไม่ใช่สุภจรป น, นูถ้าเสียดายอยากเล่นอบายยมุกทุกประเภทไม่ใช่แต่เล่นเล่ยเล่นผาเสียดายอยา ก, ยากจะแข่งเรือแข่งแพเ ข, เขาอยู่เพื่อลงเอาคะแนนก็ไม่ใช่สุภจรป น, นูถ้าไปดูเฉยๆแตไม่ได้ลงอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเสียดายอยากไปแข่งไปลงกเขา ไ, ไม่ถูก และก็ไม่ใช่ได้อยากไปดูด้วยจะไปดูทําไมเราเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ใช่ได้อยากจะไปเห็นดิงลงไปว่ามันเป็นทางชีพหายแล้วก็ไม่ใช่ได้อยากลุ่มละเมิดอล้ส่วนพระนาถ้าสัคตะถ้าจุปสัสพโนอยู่ในวงแขนแล้วอุชุยยะสาเนจิกค่อยเป็นไปเองเพราะมันเข้าทางแล้วค่อยเป็นไปเองเพะเปิดทุนทางให้เจ้าของแล้วมองเห็นฝั่งแล้ว ฝังอะไรก็คือฝังไม่โลคไม่ปวดไม่หลงอะไรฝังทะเลหลงทะเลโรกทะเลกวดทะเลหลวงมองให้ฝังแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้าได้สุภจรปโนแล้วอุชุยยะสามีกิที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นจนถึงอรหันต์สามีสามีจิตเหตุนั้นท่านจึงรับรองท่านรับรองในพระพุทธศาสนาแต่สุภจรปโนทานั้นเป็นต้นไป นอกนั้นท่านไม่รับรองอรพระบรมสารีรากษ์หลายบางทีท่านว่าบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้างบางทีเขาไปพรหมโลกบ้างเนี่ยแค่นั้ น, นท่านจึงบอกว่าแกได้หมอแได้หมออารหดาบทอิสสะตาดาบทถ้าเรามาทันก็จะสําเร็จพระโสดาบันเมื่อมาไม่ทันท่า น, นท่านขิ้นลมปรานไปเกิดวันนี้จึงไปหาพระปัญจวลคือเอ ง, เอง เห็นพระคุณพวกฉันเป็นกระถิ่ที่เคยปฏิบัติเทพบรมศาสดาถ้าในอากรตันอูพวกเหล่านี้พอไปถึงตัวนั้นก็ไม่ลงท่านอีกละแต่บรรดาที่นัดหมายกันไม่ก็เลยลืมไปซะพระอำนาจพุทธอำนาจของพระพุทธนัดหมายว่าจะไม่ตรรัตเสียงนั่ไปเสียงนั่มาเสียงนั่ไปเทียงนยมาเออคํานี้แต่ก่อนเราไม่เคยพูดกับพวกเธอ ก็เลยลงที่เรายืนยันว่าเราสําเร็จพระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเราเคยยืนยันกับพวกเธอไหมแต่ก่อนเราไม่เคยยืนยันกับพวกเธอแต่เมื่อเธอมื่อเราไม่เคยยืนยันกับพวกเธอทีนี้เราบอกว่าเราสําเร็จไปหมดแล้วนั่นก็จริงกับเราสิในท่านประเทศเอาพ็เลยยอมเชื่อแต่ก่อนยังว่าพระโกลมัสซาธทดาเป็นคนมากๆ ฉันมาฉั้นจากความเพียรเวียนมาฉันอาหารจะสําเร็จยังไงแต่ก่อนอดอาหารคุมมค้ ม, มผมคุม้งขนลมเพียนเพราะฉันเห็นเห็นพระองค์เห็นว่าไม่ชะาทางพระองค์หนีเนี้อกับฉันอาหารวันละเมือ่อเมื่อละวันเมือม่อละข้างเพราะร่างกายแข็งแรงขึ้นมางท่านก็ต่อสู้กับเกลเอของท่านได้บันเทิงเพียนทางกิจ มักผลไม่พายถ้าไม่หลงหนังอันอื่นก็ไม่หลงถ้าไม่หลงกระดูกอันอื่นก็ไม่หลงน้นกันถ้าไม่หลงดินก็ไม่หลงน้ําก็ไม่หลงไฟก็ไม่หลงลมเห็นดินตามไปจริงของดินเห็นน้ําตามไปจริงของน้ําเห็นไฟตามไปจริงของไฟเห็นลมตามไปจริงของลมไม่ได้ยืนยันว่าดินเป็นตนตนเป็นดินไม่ได้ยืนยันว่าน้ําเป็นตนตนเป็นน้ำ ไม่ยืนยันว่าไฟเป็นตนจนเป็นไฟเรียกว่าเห็นในทางปัญญาที่ท่านปฏิกรรมว่าดินดินดินดินอย่างงี้น้าๆน้องๆอย่างนี้ไฟไฟไฟไฟอย่างนี้รับตาลงเราให้เห็นรับตาลงอย่างนี้เรา้เห็นเป็นดวงไฟอย่างนี้นี่เรียกว่ากสมไฟไฟไฟไฟไฟไิมรับตาลงให้มองเห็นแล้วลืมตาให้ไฟให้ลืมตาออกก็เห็นเป็นรักษะมาไฟไฟไอันนี้เรียกว่าเกษมเพ่งให้คิดอยู่เฉยๆอันนี้ เห็นเห็นโยกไปเห็นดินก็มันจังเอาดินมาวางไว้นี่ดินดินดินดินดินอย่างนั้ตาเขาเห็นดินอีกเพื่อผูกกิจให้อยู่เฉยๆหรอกอันส่วนถ้าดินมันเป็นของใครดินเป็นศักด์ว่าดินอันนั้นมันเป็นปัญญาเราเป็นดินหรือดินเป็นเราดินอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทุกครั้งอันนตาไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องปัญญาปัญญายีพัฒนาธุระเขบอกว่าเขาวอายีพัฒนาธุระให้เข้าใจว่าปัญญาธุระถ ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาธิธุระปัญญาธุระวิพัฒนาธุระคันธะธุระหมายความว่าการเรียนวิปัฒนาธุระหมายความว่าการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี่แปลว่าปฏิบัติปัญญาว่าย่างไงหรอกครับวิปัฒนาธุระเรียกว่าิปเรียกว่าปฏิบัติปัญญามันก็ถูกอยู่พอเอาหัวหน้ามาพูด ผู้จะมีศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะมีปัญญาก็เพราะมีก็เพราะมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะเบื่อหน่ายนิพพิทาก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะพ้นจากวิราคะก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะเป็นผู้วิสุทธิก็เพราะมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้ที่จะถึงพระานก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้านั่นเหตุนั้นจึงว่าวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมาธิธุระไม่ใช่ศีลธุระ ไม่ใช่ทานธุระเข้าใจไหมสีนี้ไม่ใช่ทานศีลธุระส่วนภาวนาแบ่งออกเป็นสองสมถะภาวนาเขาเรียกว่าภาวนาวิปัสนาภาวนาเขาเรียกว่าภาวนาสมาธิก็แบ่งเป็นสองสมาธิวันล้วนก็ว่าสมาธิภาวนาก็ว่าถ้าางเขาแบ่งออกเป็นสอง พระวงังเนี่ยพระพระวังก็แปลว่าพบพระโอภาสแปลว่าพบแต่ว่าเป็นกุศลพบไม่ใช่บาปพบแต่ว่าเป็นธรรกลางควาเหมือนกันยิ้ที่เรานอนหลับก็เรียกว่าพรวังเหมือนกันจิตเข้าพวังตามธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นพบเหมือนกันมันก็ฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้อยู่พระโภา ะ, ะปัจจโย ชาติชาติปัจโยเพราะชาติเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาเสีไม่รู้ในทุกไม่รู้ในไม่รู้ในทุกปสัสจมุติไทยไม่รู้ในทุกขณนิโรธไม่รู้ในทุกขณนิโรธทศคารไม่มีปฏิปทาโดยใจความก็คือไม่รู้หินสมาธิปัญญาอะไรนี่โดยใจความก็คือไม่รู้จักปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ เมื่อเห็นท so <ma> ุกข์จึงมีเมื่อเราเห็นทุกข์เราก็จึงยินดีในปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่มีไม่ยินดีจะปฏิบัติออกจากทุกข์ถ้าเราถือว่าโลกอันนี้มันเป็นของสนุกอยู่การปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ของเราก็ไม่ดุดถ้าเราเห็นว่าโลกนี้จะไปเรือยกองทุกข์ทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปฏิบัติด้วยไม่ต้องสงสัยในเรื่องทุกข์การปฏิบัติของเราก็พอใจถ้าเราเห็นว่ามันพออยู่พอกินพอใช้พอสอยการปฏิบัติของเราก็ไม่ดุด แล้ววันนั้นแล้ววันนี้ไปเฉยแนละ้วถือว่าเรานอนอยู่ลุ่มฐานเพลิงเพลิงแก่เพลิงเก็บ เ, เพลิงตายเพลิงโรคเพลิงปวดเพลงหลงสนามทุกสนามเวียนสนามไปี้ความยินดีในโลกทั้งปวงของเราเบาลงเมื่อความยินดีความในโลกทั้งปวงของเราเบาลงมันก็เป็นตัวศีลตัวธรรมที่ตัวปัญญาอยู่ในตัวจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติไม่เป็นปัญหาเนี่ยนั่นถ้าว่าเราเลื่อมใสและพูดประคำประสงค์อยู่ ไม่มีคําสอนใดๆที่จะเหนือพระพุทธธรรมประสงค์เพราะเดียวกว่าเราถึงพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ไม่มีสัมวังคื น, นะไม่มีใครจะมาปั่นได้ก่อนเขาที่จะปั่นเราได้เพราเพราะว่าเรายังถือว่าลัทธินั้นลัทธินี้จะดีกว่าพระพุทธธรรมประงสงค์อยู่ถ้าเราถือว่าลัทธิใดๆไม่เหนือพระพุะทธธรรมประสงค์ไปอย่างนี้การลงพระพุทธธรรมประสงค์เราก็ไม่ขบถืนเมื่อไม่ไม่ขบถืนในสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสน า, สาแล้ก็ลงมือทําอย่างคนอิสรน ที่เราถือว่าเรียกเรกพระผ า, าบัดเบอร์เบิร์บางทีมันจะได้อยู่ทําไมเราถืออย่างนั้นก็เพราะเราไม่ลง พ, พระพุทธธรรมประสงค์เมื่อเราลงา พ, พระพุทธธรรมประสงค์อย่างเต็มที่แนหะมันก็ถอนไม่ออกนะเราถือว่ามันจะเป็นของยืนยังยั่งยืยงนนี้เป็นของพอแก่แค่หนะนึ่งนี่แต่เพิ่เพิ่มแค่นนะเพิ่มชิ้นเพิ่มหายลมคนหนีไปรปัญญานสองขา มันไม่ได้คำท้าคำ ท, ทางอย่างนด้นนกันคิดเท่าเฉลิมพระพุพระธาตมประสงหรรด์เท่ากัยอมเชือ่อเท่ น, นั้นยืนเดินนั่งนันรับเชื่เท่ากับภระวนาในสันับแล้วไปทาต้างการพระนหนาอย่างเท่าก็ใดด้วยเขาเหลื่อมใส้ในพระพุธระธาตมประสงค์เป็นรักเลยบุญเที่ยวว่านเกิดเมือเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเลิศมากขึ้นหรือว่างเลยอันนี้เทาบ่ลงพระพพระธประสงค์ใจ ก, กวามันจะปีนเนี่ยยังก็จะปีนจะคล้องเลยมันเท่ากม่ได้ปีนจะคล้อง มนเท่านอะบ่ล่งเทาอ่ะมั้งพราพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังําเทาเนยเ่าประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ือประมาทเท่าเนียพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ยังทเทานี่ว้าวัมเท่าถือผีผีก็ยืดทเท่านี่ว่าเเป็นผีวัโตแล้วกายเป็นคดกระั้งก็เป็นผีเพราะใจมันเปลี่ยนเน่ยว่างเลยนั่นโสัม เย่าพูะปร ะ, ร ะ, ระสงค์เยมใในใจเจาขาน่ยจักสุกไปยังใดใแล้วเนาะของเยอน้านไพล้ำมันทุกคนทุกคนเนาะ อ, อไผสงสัยศีนหาําไดกระต่องจักสักของพว่าใงสัพธรประสงค์ํไาไรกรต่องจักสของะวเพื่อจะไปหงจับต่างหัหมองอะไนก่อมันจะสงสัยมันเป็นจยังไงมันจะเห็นไผในวัฏสงสารบรเต็มทีเนี่ยขามัเห็นแก่เห็นเ็บเห้นตายย่างเต็มทีเนี่ย เน้นจะกองทุกยางันทีมันจะปรยชน์สายจันทร์สืบโลกเราพูระธานประสง์เราเหอกนเนาะแต่มันสอกหาซุกในวัตาสองสามสิดแขงดียุน่นที่ตกองมันสืบโลกนะมัมาจะามีเงินจากลานแต่น่าขู่จีบขึ้นหลอดหัวเพื่ว่าจันทร์หลอดหัวไปขู่จีบขึ้นเพื่อว่าหือจะพักราดมืนน่อเหมันสมมุติไปยังฉันยุ่นนี่ทีวา่าไง เรียกมันเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ัดหน่อยวเนาะแมเห็นพ่พทพระธรรมพระสงฆ์ัดมันขับพยัญชนงแล้วอันนั้นมันีร่างอย่างยืดเนี้ว่านี่ยจมีมากเมือนี้จะตายนี้จากมือนี้ก็ได้มันแว่าแต่มันตัดจำนวนเหมือนจวเนี่ยเราสืบคได้่าชักมือดีบดีเขาักเจ้าไปคาเขามาเร่าเจ้ารักไทยรักถอนเจ้าก็ได้เจ้าไร้ตายก็ได้เจ้านี้เขามาปาดคอเจ้ามื่อนี้ก็ได้มันบอว่าแบ่งสันติในเงิ่อนจะชิบล้านท่าล้านจะกุกรอดัวกูจะเทีบพื้นมันเทยว่าจะัวท่ไห แม่โม้นั่นแหละเอ๊น่าหนหัวอยู่มึงชนะมึงสีเก๊กมาได้ห่ืวะตีกูเวร์ได้เราโทรว่าบอกมากินนังมันถีงคนเทียรเราโทีว่าบผูกเวรยังมัสันทีเยไม่น่าน่อยเน่ตะค้หัวเยกมาเนี่ยว่มนเนี่ยผ่าเช่วเพมีเยกมาได้เพาะว่าตีตะคเหยียนขาซ่างเนี่ยซ่ายับยำมาสันทาปงดวเนี่ยถีได้กล้เกินมาสันบอกนมูนี้มันเรื่องผูกไผกันเรื่องผูกเวรยังไรเนี่ย มันมึงถนอยองหันเหอวะังไหนันเันมึงถนะเราบมแม้นต่ะพ่อ้ยากูมึงถนะมึงจะเก่งมนไดนบักหนี้นี่เพราะว่าเหนยังสันพ้า่าหน้ายากมึงแคบจะเห็นกูดีแน่น่ามึงชนะกูจะเอาให้มึงเห็นได้รับทุกจากยางดอกก้อน ผมบอกว่ามาเกะผ้าว่าน้ามาลงแล้วเกะผ้เสื้อผ้าพุทธเจ่าแล้วคันีว่าส่ิดใจมันนึงกัสั่นว่าเขี่ยดอยอท่าเ ข, ขียเ่ยถางวปผูกเว้นพระสวสดาวันอันนั่นแมนเนี่ยไม่หนาเสืออ้อเยอะนีไม่เห็นไม่ขนพอ่อเขียเข่ยถังผูกเว้นถกเี่ยถูกเว้นเี๋มึงชนอยนเนี่ยย่างเาพวกไก่พระสวสดาวันไปก็ลงมรหกทวนน่องมรบ่ มันมาเห่อยให้กูวันไหนมันมาเห่ยหน้ากูวันไหนมึงชนะกัดเจวความหันบ่มึงแค่มึงแค่มึงแค่จ้างรู้สึไปตายมืงนี่ก็ทวนมรรคภูมินั่นะเงีมึงระบ้อยาวอีธานลยแตก็สร้างไว้แล้ได้มรรคภูสร้างไว้จะเมืองค้นถิสวรรค์ก็สางไว้จะเมืองคน่มรรคภูมกสวรรค์สวรรค์มันก็เกิดขึ้นจะเมืองคนพ่อสร้างไว้จะเมืองคนจิตใจมันเป็นสวรรค์แล้วกนได้ ยิ้ใจมันกเป็นมกับตายไปมัก็เป็นมรหคกัยิ้ใจมันก็เป็นพระอรหันต์กับเป็นแต่มเมืองค้นใแล้วจไปคือต่อเอาพระอรหันต์นาผลท้อนได้คือตอกินหนา้ามั่งนามันก็ได้ถึงแก่เฒ่าเพิอ่อไปว่าบางองค์ใกล้สีตายเพราะนี่ยเารยพระอรหันต์บางองค์แกเสาว่าเก็บขมานั้ว่าจะพี่หนะ้คาคองทุกอะไรลงไม่เบือ่อนายใข่เมาในวัตาสงรารเราได้ไปด้วยบางองค์ใกล้ประสิทธิ์ตายได้หรือ ย่างหนึ่งก็ได้พระอาหารย่างนึก็ได้พระสักพ่าข้ามี่ย่างนงก็ได้พระอานาข้ามี่ย่างนึงก็ได้พระสวสด์วันใกล้จะตายมากบางองค์ก็ได้ท่านยูรีแต่ยูรีไม่แห้งเลยก็บอกว่าถือเป็นอะไรมาบางองค์นั่นแหละแต่ซัดหอกเขาสัดหอกมาถือคนกัตริย์กรค่อยเป็นคนค่อยเป็นฤๅษีคนเปรีคปเปรนฤๅษีซัดไม่คนเท่าไปปักไป่คนเท่าไปแต่หอด บวงบังหนึ่งเดินแหงแล้วล่ะแม่พันเฒ่าในกรถือหัวกบหัวกบเหลือแตตายข้าอย่างกบผงเพื่อนก็บอว่ามันถือหัวกบไม่เพื่นเาสนารพระพุทธเจ้าองค์กรหนวงพ่อมาพ่อมาพ่อมาับมาหอดฉาสนะพระโคดมอง้อเซนกษัรันธเฒ่าเนกัดโดนงงมโยขาปลา เขาไปพุ่งหอกเขาลกเขียนก็คุณพวกเขาพุ่งหอกเขาเขาลกอันสัหาเจ้าคุณละเขาไปซัดเนื้อเนื้อปลาปักไก่แถาบ้านเราเสียงหอกมาเนื้อซัดหอกเขาบนมาหกมันเพื่อนเดินโยกมือหันฝ่าเดยนโยกมือขางทานคุณแล้วมันเป็นปลาบางเลยเป็นปลาบากหันทางพักไงผมไม่หันทาของผมยคือยมันท่านขวาก็จะไปโยหันละคือคำโยนโดพระเจ้ากถึงจักตัวถึว่าก็ไปอย พัดเมาได้ถือกหอกถกตอนนี้เตอนนี้เพราะนั่นเล้วอเอาผลก็เลยถอดหอกออกก็เลยบอกากว่าโอ้ยไปเอ้เลยนะเพื่นกระไรข้าเดนดกลมเอาไม้ใบไม้อัดข่ามาเดินกลมไปก็ไปกบมาในสองลบเลยพี่หน้าของทุกนาว่าตาทั้งแานเกิดทังวถ้าูม่สาดม่พบอยู่กูก็จะเป็นทั้งเียน้อทั้งเสียเือนกัพี่กหน้าเบื่อนายสาดได้พบแบบเย็นๆเะท่นก็ได้ขอตั้พันธผ่านยิ่มายมากแเขาจังหหกัส บอกจะเข้าไปยังไงอุว่าพระองค์เจ้าอธิบายว่าพระองค์นี่นดพระอา์เนี่ยเป็นทังเสดคนมาอธิบายอามาุามเจยาพระพุทธเจ้าเลยบอกเออจะขาดกรอนเพลินขาดเพลินขากบไ่มีเจตราหน้ามาสักคนเท่าไปเป็นอูกศิษย์เขาหอดวงไปสักกบโดยไม่มีเกจตหน้านี่เขาก็สัดเข้าไปก็เพาะไม่เจตระหน้ามันนั่เงิน ก็จะทำลายฟ้ห้เลยมันตามตามท่านเลยกรรมไ ม, ม่เกีจตาหน้าอันโซมัวเฮ้าอันถ้าเกจตาหน้ากัดแชว่เงี้ยฟันกับป่านนั่นเหตุใดมันถือว่าบท่านเหนมันจะจะตามบระท่านอย่างมูวเฮ้านั่นอ่น<ม><ม>กินต้มผักเขาไนได้สันดึดขามันตัวเหล่าแง้เ ท่านไปหเนื้อหัวเถกทุเรศขยักแม่นลูกปืนผู้ไร้แม่นบอกนี่ห้อยลูกปืนก right. so ูเพราะว่าเขจะได้พ so ูนร้ายเนี ouri, ่ยบัชสูสู้กับสันออกนั่น้อยอันนนเี่ไปเฮ็ดวัดช่ยเข้ามาเพื่อได้ขยานจะได้ออกร้ายแม่นบอกม่จะใครไม่ห้อยแต่วันบาชไปไล่เนื้อหรอกผู้ไร้ขยากแม่นแคกลูกปืนต้องผู้ได้แม่นบอกนี่ห้องลูกปืนกูถึอบัสนหัดสั่งย่างดีสัพราะวถือก็ใตเอิบส่งหัว ถ้าออกเน้นไปแคสบุญแคสธานุข้งคู่ไดกกับยันแคสธาตุได้ออกลายแมนบอแมนบอแถ้าเอาไปไ ป, ไ ป, ไปเรียกมีอมอนซอนมนเาเรียกกระอกให้ซ่อนทันละเก็บหรือว่าเก็บหลับหรือว่าหลับันเองเดี๋ยวยังไปอีกะมันถือมัดไว้หน้าเนี่ัจักสิบอยังไดนเอาพื้นดถือใจพ้นนาพื้นดิาถือใจพื้นดินจักแคสทีมัดี่ไหนด เฏิวิวให้สามารถตัวเลขออกตัวนั้นหน่อยที่ตำไม่ตายที่นี่ออกตัวคิดหายนเลขหูรากตัวเลกที่ออกออกตัวคิปหายน่หลอหัวนอนหัวนอนเสือบริจีนีน้ำว่ได้เนี่ยหลอกสัว์หลอกไปเรื่องบ้าเพาไง้หาอุบายให้ิว่าบเรีนนี่มันนอนเน่ยมาบอกสัตว์ัตว์เน หลวงพ่อถือว่าถือหอมากเลยพนเงาแน่นพนหล่อเบิ้งกิเลสโฉมจักแล้ ว, นวนนพ น, น, เ น, เนเนี่ยพ่นกะเอาตาสั้นฟองร่องแลว้วพอทำมาพนรับตาจริงๆเขาแต่ไปเที่ยพนหอเบิ่งกิเลสโตพ่อทุ่พ่ท่พ่ทุ่งววามเดียวก็ได้นี่นะถ้าโมโหสังฆโครสมองมหัวมือหันน้อย อยาห่างเดียวใส่ใจพ้นซองจะพุทธโทษพุทธโทษพระพ่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายสาธุพุทธโทษผ้าห้วยท่านรักษาสินพ่อหน้าพุทธโทษผ้าห้วยไม่ศีลหาพุทธโทษผ้าห้เดียวใส่พ่อพุทธศาสนานะโมอันเดียวกันยังไม่คลายนะโมเนี่ยขอให้มีท่านมี่ศีลพ่าหน้าให้ถึงพุทธประธทัมประสงค์ขอนอนไหวพุทธประธทัมประสงค์พุณพ่อคุณแม่ไหลไปสู่อันเดียวกันหมดนะต้องอันนี้ก็ถือว่ากำปัตติ้นพี่ก็ถือก็ไม่ได้กล่าวเไม่ได้กาวมันก็ดิ่งเด้ ดินปว่าน้าขันยุกปฏิว่าหน้าขันยุกกับยังไม่ดียุกไตอย่างนี้ยังไตีทือธาตุดินกับทือวัดแม่ใโลกธาตุเพราะโลกธาตุมันเต็มไปด้วยธาตุดินธน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเหตุมาพระองค์เจ่าชาติทีพย์ทุกขาแสดงธรรมจารกวาจนนาโศชาทิพี์ทกขาถือวดใโลกธาตุยิงปืนมาเดียวถือมัดใจโทโลกธาตุองทำนะเพราะโลกธาตุเต็มไปด้วย ชาติคมเกิดเป็นทุกข์ได้อันอื่นเหมือนแหงอันอื่นกับควมเก่าฮชาตุกทุกขากับถึกัดเพราะโรคเต็มไปด้วยความซาไลมานั่งพิทักงพรโรคทั้งหลายเต็มไปด้วยควาตายกับเถือกวัดอรรถในวันเนาะเนย่างวะเทวานั่งไอ้วะเทวาดาทั้งหลายสัตทั้งอาวาเสียงสุตว่าก็สทรงเขินม่วบนนะเพื่นแปยาตูมหาราชกาเทวาสัตมุทราวสงศาถูมหาราชกานั่งเทวานั่งสัตทั้งสุตตว่ กระถือหอดตาวติสาสึงหอดญ่ามากุจิตานี่มากนวัตีปรณมีตาสวัติผูมังส้าพมโลกให้ตามหาพูมาปริตาผาอัปมาณา้าอ่าพัฒนาปฏิาชุภาอัปมานาชุพาชุกิณหะกาสอน้ตาเว้ยกระถือกมัดขาตีเีื่อขาความเดียวหรือคว่ำพมันบะเทียงคว่ำเดี้ยวกระถือกมัดหรือทุกันเดียวก็ะเถือกมัดพว่ำกันก็ไม่ทุกอยู่แล้วนั่นอันนั้เว่าอันนั้นกระเถือกกรกมัดเด๋ยวเหงื่อเหง่ง เจว่าคนตาบอดอาจแลเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินส่คนตาบอดมันก็ไม่แก้ไม่เียไม่ตายเ้ก่นคนหูหนวกมันก็ไม่แก้ไม่ีไม่ตายเ้กัอนนมันก็ถือกันต้องพูดบ่าฟังมสร้างมาถือมัดนั่นเนจะว่าถ้ามาจากกับประวัติศาสตร์เทวาลังสัตว่างสุตะวันจากูมหาราชกาเทวาสัจมณูสาวสุจากถูกมหาราชกาเทวาลังนั่งเทวาังสัตว่างุตวัาวประเทสายงมาดูทิศไปหอดุล่ะหอด พะหา้าฆ่าไม่เหอะพุ่นเอาวิหารตาป่าศึกษาศเสียการศึกษาพุ่พนพวกพระอาณาฆ่าไม่ก็ยังถือยกเพอตายเป็น่นเุได้ตายเพามีกองขั้นจูดจูมเผาเมียนนะครับเมื่อสอนนี้รมีเด็นเปิตอมีแต่หยอดคอฝ่ามันจะอยู่แมบซองใส่ตายเพมีกองขนจูดจูมเผาเมียนเผาเมียนนะคร ว่าจะทำให้หัวหน้าสารทิ้งทางชิ้นสวน่ะกินเจ้จของเทปล้วนว่าวงหงแหงทัางหน้าว่าจะผ้ากันปุ๊บจูกจองเหีอนยาวอันพวกสวรรค์นี่ว่าพวกพมโลกคนแห้งทักไปอีกยังมาเกิดมาแกมาแกมาตายก็พวกพวกนี้ถ้าทอดาบันตายว่เป็นตายเป็นยี่ห้อก้าวนาเรื่อยแล้วถ้าข้าไม่ตายว่เป็นตายเป็นก้าวนาเรื่อย พอานาคามีตายว่เป็นตายเป็นทั้งเก้านะบ่ได้บ่ได้หุนลงมาชื่มูเฮามูเฮ่นี่ยคำว่ถึงพระสวสดา a w a สักขาคามีอานาคามีดอกบ่ได้ถึงสันใดสันนึงวูบ่ได้เสือเป็นบ่แดงพวามวงมัวบ่ได้ขันหนึ่งก็ต้องหายไ้ขันนึงบ่ได้พระสวสดา a ัน n ก็เอาสักขาคามีบ่ได้สักขาคามก็เอาอนาคามบ่เชื่อใจกับคาสัตมันก็ได้หันตัวพระสวสดา a w นนุ่งกัด ว่าไอ้เหี้ยมักับอะไรเแล้วสูสูสให้กูกินน้ำแน่เลขเพราะว่านั่นแหละว่าไก่ได้ช่องเฮงว่าไกลพระสุธรรมเนี่ยเข้าว่าเอาไปเอ า, ไไหาเ ห, หา้ยเธอทั้งหลายถ้ามันมีชิ้นห่าเดี๋ยวเธอทั้งหลาย จะเสียดาในคภายหลังเน้อบอกพุทธเจ้าเธอทั้งหลายเราเมตตาพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรักษาสิ่นี้ใบริบูรณ์จงถึงว่าพุทธตาธรรมประสงค์ให้ถึงชุบก็จะปัณโนะซักถ้าเธอทั้งหลายไม่ถึงสุบก็จะปัโนะแล้วเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังบอกพุทธเจ้าเราก็เป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายเราจะทําแทนพวกเธอทั้งหลายไม่ได้เนอเหงื่อนอนก็ต้องนอนเอเหงื่อน้ำก็ต้องดื่มเอเป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายแต่ทั้งเอ ถ้ า, าว่าเธอเป็นพวก บ, บ้าใบ้เหี้ยเกลียดมนุษย์แ ล, แ, ลแล้วก็ปิดทุนทางบอกไม่ได้นี่เธอทั้งหลายฟังได้ยินหูอยู่ถ้าเธอไม่เอาก็เป็นความผิดของพวกเธอเราก็ไม่ได้เพ่งโทษว่าตอนนั้นมยังไม่ได้ทันทันสั่งสอนตอนนี้ยังไม่ไทันสั่งสอนแต่ที่ไหนที่ไหนแล้วก็ทุ่มเทให้ลูกหลานหมดแล้วทีนี้เราไม่ได้เพ่งโทษเราเลยพระบรมศาสดาเธอจะลาพวกขั้นไปละถ้าเธอทั้งหลายยังไม่ไปในชาตินี้เธอทั้งหลายก็คอย พระพุทธเจ้าองหน้าแกว่าห้องค่อยจินน้องสร้างฮาปีสิบปีราดปีตังกับอกออกหา <c oughs> ไปจกมรรคหกคือแล้วก็แเลี้กันไปฮะหาไปเป็นสัตที่สารเนี่ยอีกพอแงเลยเขาเอาใส่ขาดเขใช้า้าไปห้องคอนําเนี่ยแต่ถ้าเกิดถึงว่าจะค่อยมากเขาเอาไปใช้หน้าเนี่ยใช้หน้าเมื่อไอแห่รบาดตายเขาบอกว่าจอยไร้เติมระสูหิวออกไปเขาถืบว่าซื้อเพราะว่าไปใ้ให้แก่ต่อกอเห็นอะไรอันนี้น อยืองหมูเขาก็หักกันโอ๊ยบักลารถั้นมากินซ่ากันแต่หักเขาาไปขายเขาเอามีดแท่งขอเขาก็หักไปเพื่อขาเพื่อขาอย่างเงี้ยกไปเกิดเป็นมูหัาไปเกิดเป็นไก่เขาบีบข้อก็ปีกใส่กันขบพกไปไวอยู่ด้วปาดข้อท่าเนี้เกิดเป็นขดไปหมูเห่าจะเกขึ้นท่าเน้เกิดเป็นจะไปหมูเหามาต้องมาต้องคื้นมาต้องขาดทุน ขางพระสวดาบาลนะพระขาดทุนได้ชินหายประจำนะพขาดทุนเขาม่ได้ชินหาแล้วขาดทุ น, นแค่ขาทุนแค่รับหลง่อท่านว่าเอาอา่ิบายฟังเ น, นี่ยพวกโลกีด้วยไมนาไกลจะต า, า, ายม า, าแล้ ล, ลึกถึงท่านถึงศีลของตวได้ไปได้ขันมนต่ได้แลลึกถึงอย่างน้มันจะเห็นนะเขากรรมมาผูกมันบ่คือพระสสดาบาลด้วยพระสวดาบาล น, าาลนี่ยแลวลึกว่าแ้ลึกก็ว่าเป็นปัญหาเนี่ยที่ตายยืนตายเรินตายนั่งตายน้อนกระชากทีไหลตายตามผ้าผ้ากร้ชากพันก็ไป ชุกะตีของเพลนบองสันว่ามันดะต่างาคต่างทางแนพวกนีเพราะมันขาดไปแล้วด้ยมันปิดอาัยวพุ่มหม่เล่มนุษย์เข้าใจไว้แล้วฟังพูดอย่างนี้พอรู้นะพระทักฆ่าฆ่ามเคือกันพระหน้าที่ฆ่ามิเอะคือกันพระนหันกัคือกันพระเจดเขาซานว่าเขาซานาเปลี่นปัญหานี่พระ่หันพระโสดาบันจก่าฆ่าเอะ้ามิอกันพระจดเขาซ่านว่าเขาซานว่าตายย่ำไดเพิ่กรไปสิว่างไรตายอย่างเขาขาเพิ่งกรไปสิวางไรลองสันว่า เดีย่า น, นสั่นช่ว่าการขาสัตทัที่เป็นของบาปหลายไป้ลมันห้ามไมไปถือกบโตบรราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าไมไปถึอนกโตบรร า, านาพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามไปถือไกโตบรรดนาพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคาถาปาคอกับคือพระพุทธเจ้าสายศาสตเป็นปากคอเนี่ยห้ามไปคาปามันถึกโตมันเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนห้ามจุบาปโยนไปได้สันนั่นนั่นนั่นนั่นไอาพี่ยีบาปนี้ก็ได้นะ น, น, น ไปรักขึ้นกันละถ้าห้าไปลักของถือของพระพุทธเจ้าใส่ซาตถือของ NEN? Bear <Bye> พระสกทาข้ามี่ใส่ซากก็พระเทวดาบานใส่ากไม่ใช่มันจะบาบหลายบอกข้าหนิข้าไปคมคืดขึ้นกัน่ะไปคมคืนแม่ขาวมุ่นไปคมคืนพราะวดาบานพระเมืองมันนะฮถึอพระเทวดาบานมุ่นเนี่ยฮิบาบาลายบอกขาหน่ถือแม่ขาวผูมันทงพระสกทาข้ามีังพระเทวดาบานมุ่น นั่นแต่ถ้ามาเบียยนพระเจา้าพระสงฆ์กันนะะถ้าถือพระโดาวันเนี่จงฮะห่มันถือ่าบาปร้าย่หนงนักนักหรอที่ง่ายมังครับใเบยบแล้วมันก็พอก็อาหาา้าให้เอาเว่ไรเนี่นกเจ้าห้แบบเอาว่าไรใครจะเอาได้อันนี้งเอาบา่เอาไปได้จะคองเอาบ่เนาะเช็ดคัน เอาไปให้ลูกหั้านน่ะมู่โตหักลูกหักร้านเอาผ้าเขาเรียเ็นฟ้นเนาเนีมันกิบหาาตายออกไปเออก็มูอหัากรเว๋าหลายเหลือบัดยุคปีผู้เดียวบไดให้เห็ดหลายเด้เดี๋ยวกรรมฐันนได้กิ่งนิง่งรดพิจญหน้ารดอีบไปกิ่งมากสร้างพิญญาหน้า เอาออกไปได้จากของออกไปได้จากของเอาอไได้จากของว้วตมอัลกออตัวเตะมอัลกออัวเตมอักออตัวเตมอัะกออตัวตมอัลกออตัวตมอัลกออตัวตมอักออตัวเติมกออตัวเติมกออเอาไปได้จากของ้อ่นี่มากลนะ แต่ว่าควันวัดออ hmm. สีนาสูงาลอ่ะเขื่อนเดือนพระพุทธศาสานาเป็นที่นิยมกนย่มากขนเชินง่ายๆนี่้ายตาเขียนหูะพุทธมาสนาเป็นแกนของโล ก, ก, ก, กยุค ย, ยุคยุคใหม่นกเห็นอะไรมาดับเบิพระพุทธศาสนาแล้ว มันจะพาดนะครับนักที้บัลงก์๋วเบางทํานยังได้ความิดพิจารเ๋ลวบางในหัวใจแต่คองนี่บางอย่างเยยัได้อี่างเลือบางแล้วชักแพะชักทนก็พริบกระพริบเมื่อเื่อเหตุผอันชกต้อมันรัเหตุก็ถูต้องบรรับผลก็ถูกต้อเื่อเท็บรรลับเหตุก็ถูกเแค่ ชิ้หาเยเถอะบญญ ร, รรดาต้อเหนเหตุแต่เรื่อม่เป็นไปไว่าอะไรคือมันม่เป็นไฟนั ก, กเลียดข้นไ่เป็นไฟนัไ ป, ไปนักธรรมะข้อจริงว่าจะเป็นไฟนั ก, กเลีคนเป็นไธรรมาเป็นไฟนักธรรมะพระพุทเจ้าข้อนนจริงไมแท้ข้อนจริงของพญายมามัน ก, ก็ไปนักเกลียดเท่าถ้าหายรับผลเป็นทุกข์ข้จริงของพระธรรมารนพุทเจ้าพระพุทธศาสนานะมันจะเป็นไปนะในใเหตุ ด, ดีข้นดี มำหน่อยแล้ทำมากผึดนี้ก็เหตุเนี่ยจะทั้งดแล้วว่าประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนคาของเหตุทังดีคือกันทังชั่วคือกันไม่ใผู้ร้างเหตุถึง่อสมนใจอันเดียวไี่ใช่จะมายากิสามไม่ใชู่้รับผลใจไม่ใช่ได้รับผลอันเดียวไม่ใช่จะมาแย่งรับสร้าเหตุต้องแล้วผลมาตอบประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนคาของเหตุเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอน เหตุรับผลก็รับเหตุว่ารับผลก็ว่ารับเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุว่าสงสัยผลก็ว่าสงสัยผู้สร้างเหตุสร้างผลมันจิตจิตใจอันเดียวผู้จิตใจนี่เขาเคยประทับประสงค์ง่อยด้วยมักจะสร้างเหตุดีผลดีผู้จิตใจนี่เขางายมากง่อยด้วยมักจกจะเหตุสร้างเหตุชั่วผลตัวโดยก็รู้ตัวแต่เมื่อรู้ตัวมากก็สายกับว่าแต่ซะ คำสอนอะไรก็ตามันว่างล่องแลยอ่มองมองมงคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบตลอดแล้วพระพุทธเจ้าออกไปกินแน่คาอันมั่นดีดมือคาสูงแง่คำเป็นโรคบาลคุมคลองโรครองยาความละอาตวาบควลัวตวาบเท่านั้นจคุ้มคลองโลกได้ แต่ม่มีอย่างอายตาบามี่้องกลัวตาบาแล้วขงข้องกวไรข้าข้างที่นัแกล้งก็ได้ทํางนที่รับกดไม้กอดงูก็พักกอพวกตั้งกับปยู่ับบงบอบงับบงอูของขาขสอนข้าพระองค์เจ้าข้าคขันสอนกําแล้วข า, า, ามกับมาได้เร่างเขากับกอดไม้กอดงูกอพักกอดพวก่เอย เป็นท่าม้านจิตไตเลยเป็นสารอายก า, ารเป็นสารจับเสียงเป็นสารใจสวนนี้ไทั่วมองสั่นเหนได้ชัดชาวโลกเหตุอะไรวะมั่งบางคำสอนของพระเจ้าไปบ่ได้ไปบ่รอดเลืนงนับชีว ป, ประลุเอาพวกเขาบอกถือว่ามงึงยังบาปย่งบุนเขาไปไดนบ่เขาไปไดนบ่เขาไปาได้บ่ถ้าพ่อเรามันแจกกระเจิงกั บ, กกกบกกไปได้บ่ คุณพอ่อคุณแม่บ่อแม่คุณว่าอาจารย์พ่อม่ใส่ไบสใ่้า ไ, ไ, ไ่นั่นเขียนไฟไหมโลกบ่าคืออบา ย, ย ม, มุกทุกประเภทไฟไหม่โลกไ ม, ม, ม, ม่ยังไม่กราเวนขึ้นจะหาไดเมืองละรานก็สร้างเอามาบูซ่ายันอบา ย, ยมกมอบา ย, ย ม, มุกคือบูซ่ายันเ้าว เง้ยย้ำอยิ่ี่เนี่ยต้งสันจะงอนรับนับถือพรนะพุทธศาสนาถอนมือออกดิง้งร่องแหละถอนมือออกผู้ดิ้งไวท้ทังเวทก็ถอนมือออกผู้ดิ้งไว้ทั้งถูกก็ถอนมือออกถ้ามาถอนมือออกมันถอนม่อออกทั้งสองทาง่า พระพุทธเจ้าจึงมีกีรลาลานพระ อ, องค์ก็ท่าก็มีพระราชชัญญัติของธรรมะอันเกา่าบันดาลมีอันมายาเทียเป็นทรงพระหน้าวาโลกกวิโสพุรูแกงโลกอนุสรโอโยยามพุทธศาสมาสารถิเป็นผู้ฝึกตนและฝึกท่านผูอ้อื้นดีมันไน้สารถิฝึกมาลักขาเทวมนุษยานัง เป็นที่พึ่งของเทวดาที่สอนของเทวดาทั้งหลายพุทโธเป็นพตื่นออกจากความคิดแล้วเพราะเขาว่าเป็นผู้จำแนกร้ำถ้ำสอนในไร้ในใจรลกาตุถ้าไม่แล้อค้ำสอนในภูติเจ้าเป็นไปบ่ได้ทุกยุคทุกสมัยกดหมยกดมูกดทักกดพวกตั้งขึง้นบมองเมืองคํำสอนใธธนภูิศาสตรนะไปบ่หลอดแตกกระเจิงเสือต่อเสือตัดกันเคา การตั้งกฎหมายกันว่ากฎหมายมาเบิรนขาสอนพระพุทธเจ้าไปบ่าอดข้าสอนพระพุทธเจ้าสอนโลกเอาทัศน์ตรงๆนะครับว่าจะไปสอนสา่สอนผีตัวพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านการเมืองข้าสอนพระพุเจ้าพระพุทธศาสนาเนการบ้านการเมืองเป็นการแช่วัตรแ่ดาเป็นการพระอรหันต์ครบวัดล้วางผัวก็เม่ยากสอน เนราพอ่อคำลูกกัสอนในราบางเบาวกับน่ายกัสอนและการงานที่ทำสามชุกข้แก่กำลังให้อาหารในร่างว่นพระยาบาทในเวลาเก็ี้ยไข่แก่คองมีรถแบบโบลาณให้กินโดยพล่อยหน่สมัยนั่นส่วนน่ายกันส่วนเบากันลุกขึ้นทำการงานก่อนน่ายเลิกการงานงานที่หลังน่ายถือเอาเจ้ของที่น่ายให้จะไปรักกรอบนักเสียมไปนั่ง ทำการงานให้ดีขึ้นจะจะเห็นแกมือแก้วจะเห็นแก่มากนายนํนานคุณของนายไปสเสนอในที่นั่นนั่นนี่ บ, อบอรรแจงว่าพุทธเจ้าบอกนี่ระว่างผัวเขาเมียเขาพุทธเจ้าเขาบอกหรือว่าบอกพุทธเจ้าบ่เป็นการบ้านการเมืองว่ามึาสอนพุธศาสนาถ้าพุทธศาสนาว่าเป็นการบ้านการเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นพีหน้ามึงรั่วมาเนี่ยพอยให้นคนมาห้จับ ผ้าษาผ้าสีมันตั้งกฎหมายมันตั้งทับ พ, พ ร, ร, ร, ปประพุทธศาส น, นาไปบ้างอะไรมันตายเยี่ยงเช่นวะหาประโยคกีกประโยคนมันเงี้ยนนังซื้อแต่มันไปตายเลยเียงจริงบ่ไปตั้งกฎหมายบ่มองพระพุทธศาสนาเขาทำสงสรานะั็ช้ า, ชามีตวัว โลกแสดงนักษัไบอกนั่นเนี่เนาะอันนี้ก็สตรงวนวัดทงกษัตริย์งวนป่ากษงวนบ้านกังวนเมืองกษัตรคนสิทุกว่ากะงวนบอกพระจ้าระสง์ว่าสษงวนบอก เ่าหนอนว่าพวกค่ายเราล้าเป็นโทษแน่นบาะวบไหมบอกร้นคนหวังผนทุกเรื่อว่าตัดต้องสารโลกพีนเกียวว่าพีนเกียวเห้ดไหนสกี่เาของจักโลกเพรเปียนเกียว ขอจักโลกเป็นเคียวของฮุนจักด้ยขนดนุ่งกางเกงงูชี้ใกล้แล้วเาเบิงเ่งแดงนะลรกพ่อเนี่ยไม่มีพระวไนยนนตัวแ ม, นม่นตัวเมียนชอไป่รถมาแต่ใส่ใส่เอา ข, อ ข, อขอ่าปูข่าเางวหัวใส่แว่นตาดำๆใ่ไเห็นพระมากเลยเดาขาออกไปใส่มหมมอ ข้าม้มองมองนั่นไม่มีบรรยาเรบเลยวบ่พระอะไรไม่สัมรวมมึมงว่าตัวคนนั่นบอกพระเจ้านตายมั่งแม่ทนพระ ก, กาศข้าวจะไปควงสักผู้ฮมาไลา่พวกเขาี่มาไล่มันพอนติดตีงสร้างว่าวข้าวจะเบียดเบียนพรพุทธศาสนาไปเพราะเนี่ยโลกเสมอเลยคบอบายเบีย ด, รรอดอยมมบเบียนแไรเบียนพระุทธศาสนาเพรามันเรียมหนึ่งกัเรียมหนึ่งเนี่ยเออเขาเอากันเหมือนพระเจ้าบนตาย นำไล่มวลนำไล่ขึ้นฝ่ากองทัพนำไลยมวดขึ้นฝ่าปกเบียดเบียดพระพุทธศา ส, สานาพิชิตสังคมและสังข์อมพุทธศา ส, สานายังอยู่ยั่งยืนยงแล้วก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพุทธศา ส, สานาพินาศลงเราจะดอยู่ได้ด้วยแล้วก็เหมือนมอดม้อยสุดคิดสิ้นสกุลพุทธใครรางใครลุกทราบ พระพุทธศาสนาพลนกกรรมจะตามทันอยู่ทุกเวลาเลยจ้ะอยากอยู่พลนกกรรมอันดีมัน <c oughs> รู้ตัวเลยเหพ่นคนขี่มอเตอร์ไซรู้ตัวเออเอาไห้กุกกินตัอเขาเอาให้กินถึงยังว่าไม่ได้กิ น, น, นด้วยแต่ยังขโมย